อาจารย์ครับกล่าวรำรัสมรรการครับผมเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งทั้งหลายกล่าวอาจารย์ครับตอนนี้มีคนมารออยู่สี่ร้อยสี่สิบสองคนครับอาจารย์ครับเยอะมากเลยครับอาจารย์ครับจากครั้งที่แล้วครับอาจารย์ครับเรื่องไตสิกขาครั้งที่หนึ่งนี้อาจารย์บอกว่าเรื่องศีลเป็นระดับชั้นปฐมครับก็เท่าที่ผ่านมาตัวผมเองแล้วก็ผมคิดว่าเพื่อนๆก็คงจะปฏิบัติเรื่องศีลได้ดีพอสมควรครับ วันนี้ขอขึ้นมัธยมครับอาจารย์ครับก็ อ, อศึกษาต่อในเรื่องสมาธินะครับอาจารย์ครับก่อนที่จะพูดเรื่องสมาธินี่อยากจะขอทำความเข้าใจความหมายของคำว่าสมาธิก่อนเพราะทางโลกนี้จะใช้คำว่าสมาธินี้แทนสติเช่นไม่มีสติในการทำงาน ไม่มีสติในการอ่านหนังสือไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือไม่มีสมาธิในการทำงานซึ่งความจริงความจริงหมายหมายถึงว่าไม่มีสติคือใจลอยไม่อยู่กับงานอยู่กับการอ่านหนังสืออ่านหนังสือแต่ใจลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่เราเรียกว่าไม่มีสติไม่ใช่ไม่มีสมาธิ ญาตโยมส่วนใหญ่ไม่มีทางที่จะเข้าถึงสมาธิได้ถ้าไม่ได้ปฏิบัติอย่างเข้มข้นคำว่าสมาธิคือความสงบนิ่งของใจปราะัจากอารมณ์รักชัพก่พลัวหลมอยู่ในความว่าง ม, มีแต่สักแต่วรู้อันนี้คือความหมายของสมาธิในทางธรรมยันเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่อง เพราะญาตโยมคิดว่าสมาธิก็คือสติคือการการทํางานอย่างมีทํางานถ้ามีสมาธิกับการทํางานนี้เรียกว่าสมาธิแต่ น, นี้ไม่ใช่สมาธิมีทางปฏิบัติธรรมสมาธิในทางปฏิบัติธรรมนี้จิตต้องนิ่งปราศจากความคิดปรุงแต่งหรือแต่ใจผู้รู้สักกะวรู้ และอารมณ์ที่เกิดจากความคิดรงแต่คือความรักชังกลัวโกรธก็หายไปตอ น, นั้นจิตนิง่งจริงๆเฉยๆจริ ง, รงๆเป็นอุบเบกขาจริงๆโดยที่ไม่มีการควบคุมหอครับอันนี้ขอให้ทำความเข้าใจคำว่าสตินี่คือเหตุเหตุที่จะทำให้สมาธิเกิดขึ้นเพราะก่อนที่จิตจะนิ่งได้จิตต้องตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เช่นพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกอันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติเพื่อให้เข้าสู่สมาธิที่จะเป็นผลตามมาอันนี้คุณหมอเข้าใจนะัรรเราถึงมีสติก่อนต้องเจริญสติก่อนเราจะอยากจะให้เข้าสมาธิได้นี้สติต้องต่อเนื่อง ไม่ใช่สติแบบวกแวกแบบ <Okay. S 1> พูดโทสองสามคำแล้วก็หายไปคิดถึงเรื่องนั้น oh. เรื่องนี้ต่อแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ถ้าอย่างนี้ไม่มีวันที่จะเข้าสมาธิได้ถ้าจะเข้าสมาธิได้นี่สติต้องต่อเนื่องจนเป็นสัมปะชัญญะาอาจจะเคยได้ยินคาว่าสติสัมปะชัญญะค oh. าว่าสัมปะชัญญะก็คือสติที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอน เช่พุโทโธกับพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่อย่างนี้อย่างเดียวไม่แวะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้หรือถ้าดูลมหายใจเข้าออกก็ดูลมอย่างเดียวดูลมเข้าดูลมออกที่ปลายจมูกไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้ถ้ามีสติต่อเนื่องที่เป็นสัมปชัญญะนี้สามารถเข้าสมาธิได้ภายในห้านาที จิตเข้าสู่เบขาอัปนาสมาธิได้หรือคณิกะสมาธิได้พอพูดถึงการเข้าสมาธิก็ก็ต้องแจ้งว่าสมาธินี้มี3แบบด้วยกันแบบแรกเราเรียกว่าคณิกะสมาธิแบบที่สเรียกว่าอัปนาสมาธิแบบที่3มเรียกว่าอุปจาราสมาธิสมาธิอันแรกนี้คือคณิกะสมาธิ คือการเข้าสู่ความสงบของจิตเพียงชั่วหนึ่งขณะคณิกะนี่แปลว่าคำมาจากคำว่าขณะหนึ่งขณะคือแบบดูแลบลินนี้คือใหม่ๆเวลาเราปฏิบัติสมาธิเจริญสติดูลมและพุโทโธนี้สติของเรายังมีกำลังไม่มากพอแต่มากพอที่จะ ดึงจิตให้เข้าไปใ น, าในความสงบได้ช่วกแวบหนึ่งพอสงบแป๊บแล้วก็ถอนออกมาทันทีอันนี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เริ่มผู้ที่ได้สมาธิครั้งแรกๆนี่จะเป็นขั้นนิ่งสมาธิสงบนิ่งแต่นิ่งเดียวเดียวนิ่งแป๊บเดียวเสร็จแล้วก็กำลังของสติที่ดึงเข้าไปก็หมดกําลังก็ถูกกำลังของปีเลตตาาา้าหาผลักดันออกออกมา เราจึงเรียกว่าคณิกาสมาธิสงบเพียงช่วงหนึ่งขณะสมาธิที่ชนิดที่สองเราเรียกว่าอัปปนาสมาธิคือความสงบที่สงบได้นานแต่ท่านไม่ได้บอกว่านานนี้หมายถึงกี่นาทีแต่ก็นานกว่าคณิกาสมาธิก็ไม่ใช่เข้าไปปุ๊แล้วก็เด้งออกมาเข้าไปแล้วก็จะแช่ แช่อยู่นานไม่นานนี้นนก็เชื่ออยู่กั บ, บาพลังของสติที่ได้ฝึกฝนอบรมไว้ก่อนที่จะเข้ามานั่งสมาธิถ้าได้ฝึกฝนอบรมสติอย่างต่อเนื่องทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับอย่างนี้โอกาสที่จะเข้าสมาธิแล้วนิ่งอยู่ได้นานนี้เป็นไปได้เริ่มเมื้อต้นอาจจะเป็นสิบนาทีก่อนยี่สิบนาทีสามสิบนาทีสี่สิบนาทีถึงชั่วโมงหรือนานกว่า น, นั้นก็ได้ อย่างที่เราเรียกว่าเข้าฌานเนี่ยมือศรีบางท่านมีสติดีเข้าฌานได้เป็นวันเข้าฌานสมาบัติได้ทีละเจ็ดวันเป็นต้น <c oughs> นี่คือสมาธิชนิดที่สองเรียกว่าปนาสมาธิเป็นสมาธิที่นิ่งสงบปราศจากความรังชำกลัวหลงปราศจากความคิดปูงแต่งของของจิตมีแต่สักและวัโรอยู่เฉย สมาธิชนิดที่สามที่เรียกว่าอุปจารสมาธิทางผู้ที่ศึกษาทางปริยัตมักจะแปลว่าเป็นสมาธิที่ก่อนจะเข้าถึงอัปปนาสมาธิแต่ทางสายปฏิบัตินีเท่านแสดงท่านอธิบายว่าเป็นสมาธิที่ได้หลังจากเข้าอัปปนาสมาธิแล้ว แต่เป็นสมาธิที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติทุกคนเป็นสมาธิที่สำหรับผู้ที่มีวาสนาบารมีมาทางนี้คือเป็นสมาธิที่จะทำให้เกิดอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆขึ้นมาเช่นสามารถร ล, ลึกชาติได้สามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้สามารถอ่านวารลจิตของผู้อื่นได้ อันนี้เป็นสมาธิที่เรียกว่าอุปจารสมาธิหรือจะเหาะเหินเดินอากาศหรือแปลงร่างหรืออะไรต่างๆสุดแท้แต่ที่แสดงไว้ในพระคัมภีร์อภิญญ า, าเรียกว่าอภิญญาเกิดขึ้นจากอุปจารสมาธิไม่เกิดจากอัปนาสมาธิหรือคธิกาสมาธิ การที่จะเข้าถึงอุปจาระนี้ ถ, ถ้าว่าหมายถึงจิตรวมเป็นอปปนาก่อนแต่ไม่นิ่งอยู่แล้วก็ไม่เด้งออกเหมือนคันนิกะสมาธิแต่จะขยับเข้าไปสู่โลกทิพย์เข้าไปสู่การติดต่อกับจิตที่มีอยู่ในโลกทิพย์เช่นเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงทำให้แก่เทวดาทั้งหลายก็ทรงใช้อุปจาระสมาธินี้ ถ้าอยู่ในอปนาสมาธินี้เหมือนกับปิดประตูอยู่ในบ้านอยู่ในห้องคนเดียวแต่ผู้ที่ได้อุปจาระได้ อ, อปนาสมาธิแล้วถ้าจะไปทางอุปจาระนี้เหมือนกับท่านเปิดหน้าตา่างเปิดหน้าต่างเพื่อรับรู้สิ่งที่มีอยู่ในในในสมาธิคือสิ่งที่มีอยู่ในโลกทิพย์นั่นเองเพราะขณะที่อยู่ในสมาธินี้จิตถอนออกจากร่างกายชั่วคราว จิตแม่ได้อยู่ในโลกกทาตไม่ได้รับรู้รูปเสียงเก่งด ต, ต่างๆแต่มีความสามารถที่จะไปรับรู้เรื่องของโลกทิพย์ได้เรื่องของอดีตเรื่องของอนาคตได้ทาไมพระพุทธเจ้าถึงรับรูชาติได้อันนี้ก็เพราะว่าอุปจารสมาธิแต่เป็นสมาธิที่ไม่นิ่งเหมือนอัปปนาสมาธิเพราะต้องใช้ความคิดปรุงแต่งใช้ความคิดปรุงแต่งที่จะติดต่อกับ กายทิพย์ต่างๆหรือต้องรึกชาติเนี่ยหรืออ่านวาังจิตของผู้จะต้องใช้ความคิดปูดแต่งเข้าไปสนับสนุนด้วยจึงทำให้ขาดอุเบกขาไปขณะที่อยู่ในสมาธิอย่างนั้นถ้าออกจากสมาธิแบบอุปจราระออกมานี้จิตจะไม่มีความนิ่งสมบหรือติดอยู่ คือไม่มีอุเบกขาหลงติดอยู่ในจิตเวลาออกมาตามจากอัปปนาสมาธิที่นิ่งสงบแล้วก็มีอุเบกขายิ่งอยู่ได้นานเท่าไรอุเบกขาก็จะมีพลังมากขึ้นเวลาออกจากสมาธิแบบอัปปนาสมาธินี้จะมีอุเบกขาติดออกมาด้วยถึงแม้ว่าจะอยู่ไม่นานอยู่ไม่ตลอดก็อยู่ได้สักพักหนึ่งเปรียบเหมือนกับน้าเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็น พอเราเอาออกจากตู้เย็นนี่น้ําก็ยังเย็นอยู่แต่จะเย็นอยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วก็จะค่อยๆจางไหลไปหลังกับทำอุปจารสมาธินี่เหมือนกับว่าเอาน้ําเข้าแช่ตู้เย็นปั๊บแล้วก็เอาออกไปไปทปาําภารกิจทางอภิญญาก็เหมือนกับไม่ได้แช่อยู่ในตู้เย็นงั้นเวลาเอกาจากอุปะจะ อุปจาระสมาธิมาเนี้จิตจะไม่มีความเย็นไม่มีอุปเบกขาข้างๆอยู่ก็จะไม่มีกำลังที่จะเอาไปใช้ในการเจริญปัญญาเพื่อหยุดกิเลสอุปจาระสมาธินี้ไม่สามารถสนับสนุนการเจริญปัญญาได้ท่านถึงเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิคือสมาธิคืออัปปนาสมาธิ เป็นสมาธิที่จะสนับสนุนให้จิตจเจริญวิปัสนาจเจริญปัญญาจเจริญ <c oughs> ตายรักได้จเจริญอสุภาได้เพราะจิตที่ไม่มีอุเบกขานี้จะต่อต้านความจริงเช่นอสุภาพจิตของญาติโยมที่ไม่เคยเข้าสมาธินี้จะไม่ชอบดูรูปที่น่าเปบียดน่ากลัวของร่างกายดูนิตยาสารต่างๆที่ขายบนท้องตลาด มีใครขายภาพชำ่ละสงไมไม่มีเลยมีแต่ภาพประกวดนางงามภาพดาราภา พ, พยนตร์ต่างๆเพราะจิตนี้ถูกอำนาจของกิเลสครอบงมให้สนใจแต่ภาพ ส, สวยๆงามๆนั่นเองแต่สำหรับจิตผู้ที่มีอุบเบกขาเนี้เป็นจิตที่ปราศจากความยินดียินร้ายกับภาพต่างๆ ยังสามารถดูภาพได้ทุกชนิดภาพที่น่าเกลียดน่านกลัวก็ดูได้ภาพที่สวยที่งามก็ดูได้แต่ท่านก็ไม่ดูเพราะท่านรู้ว่ามันเป็นเป็นกิเลสดูภาพที่สวยงามแล้วเป็นการปลุกปั้นกิเลสคือการมาลงให้เกิดขึ้นนั่นเองยิ่งท่านมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติเพื่อล้างกิเลสล้างการมาลงท่านก็เลยต้องพยายามมองถึงภาพที่แม่นสวยแม่นงาม ภาที่น่าเกลียดน่ากลัวเช่นภาพศพของร่างกายหรือ ด, ดูอวัยวะภายในของร่างกายอันนี้จะทําได้ก็ต่อเมื่อมีอัปปนาสมาธิมาสนับสนุนคือออกจากสมาธิมาแล้วมีอุเบกขาใจยังเป็นกลางใจยังปราศจากความรากชังกลัลวหลงไม่กลัวท่าพ น, น่าเกลียดน่ากลัวไม่กลัวเรื่องความตายเรื่องความเจ็บไายได้ปว่วย กล้าพิจารณาความตายกล้าพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เหมือนกับจิตที่ไม่มีอุเบกขานี้จะไม่กล้าพิจารณาความตายแม้แต่คิดก็ไม่ไม่กล้าคิดแม้แต่พูดก็ไม่กล้าพูดคำว่าตายคนตายยังไม่ยอมพูดว่าตายเลยบอกว่าอสัญญกรรมบ้างสิ้นลมบ้างแต่คําว่าตายนี้เป็นมุสุเป็นคําเหมือนกับสาปแช่งตัวเอง ยังจะไม่ไม่กล้าบัวกลัวความตายนั่นเพราะใจมีอคติมีความรักชังกลัวรักร่างกายกลัวความตายของร่างกายยังไม่สามารถที่จะมาเจริญปัญญาได้เพราะปัญญานี้เป็นสิ่งที่จะต้องคิดอยู่เนืองเนืองให้มันไม่ให้มันไม่หลงไม่ลืมให้มันจดจำอยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายนี้ไม่เทียมร่างกายนี้ต้องตายต้องเจ็บต้องแก่ ร่างกายนี้ไม่สวยไม่งดมันต้องคิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่นานๆคิดจนกระทั่งมันจําได้ไม่ลืมทุกครั้งที่เห็นร่างกายจะเห็นหมดเลยเ ห, เห็นแก่เจ็บตายเห็นอนุภารเป็นต้นเห็นดินน้าลมไฟนี่คือความความสําคัญของสมาธิคือปัญหาสมาธิ ถ้ามีอยู่ในสมาธิได้นานเวลาออกมาอเุเบกขาก็จะอยู่ได้นานก็จะพิจารณาทำได้นานแต่สักครู่หนึ่งนะพออเุเบกขาหมดนะทีนี้ใจก็จะถูกกิเลสคือความร่ามชังโกรธมันดึงไปนะจะไม่อยากจะพิจารณาเรื่องเรื่องน่าเกลียดน่ากลัวนะอยากจะไปดูเรื่องสวยเรื่องงามขึ้นมาแทนทีถ้ามาถึงจันนั้นผู้ปฏิบัติก็จะต้องย้อนกลับเข้าสมาธิ การปฏิบัติขั้นที่หลังจากที่ได้สมาธิแล้วนักใบเจริญปัญญานี้ก็จะทําได้เป็นช่วงช่วงช่วงที่ออกจากสมาธิมาก็ไปพิจารณาปัญญาพิจารณาไตรักพิจารณาสุภาษแล้วหลังจากนั้นก็จะหมดกําลังลงใจจะไม่อยากจะพิจารณาก็ต้องหยุดแล้วกลับเข้าไปสมาธิใหม่เพื่อชาร์แบบใหม ชาติอุเบกขาใหม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ถอยออกมาพิจารณาใหม่ทาอย่างนี้ไปจนกว่าจิตจะเข้าใจและเห็นได้อย่างชาัดเจนตลอดเวลาเรื่องของสภาวธรรมทั้งหลายไม่ใช่ถ้าเฉพาะว่าร่างกายร่างกายเวทนาจิตนี้ล้วนเป็นไตรลักษณ์ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ก็จะได้ไม่ไปยึดไปติดก็จะปล่อยวาง ปล่อยวางเวทนาปล่อยวางจิตได้ก็จะหลุดพ้นได้ด้วยปัญญาที่มีสมาธิอัปปนาสมาธิเป็นผู้ให้การสนับสนุนนี่คือความสาคัญของอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่ผู้ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจําเป็นที่จะต้องเจริญให้มากส่วนผู้ที่มีวาสนาทางป จ, จารสมาธิ ถ้ายังไม่รุดพ้นจากกิเลสอย่าเพิ่งไปยุ่งกับอุปจารสมาธิถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นน่ายินดีว่าสามารถทำในสิ่งที่คนอื่นทาไม่ได้เช่นทำเลือกชาติได้เช่นอ่าน จ, จิตใจของผู้อื่นได้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่หรืออาจจะมีตาที่เห็นเลขเห็นเบอร์เห็นอะไรห ร, หรือสามารถติดต่อกับเทวดาทั้งหลายได้ แต่มันไม่สามารถมาสนับสนุนในการเจริญปัญญาเพื่อดับกิเลสดับความทุกข์ได้ถ้าไปเล่นกับอุปจารสมาธิก็จะติดอยู่กับอุปจารสมาธิแล้วจะติดอยู่กับการเรียนไาวตายเกิดต่อไปเพราะจะไม่สนใจที่จะมาเจริญวิปัสสนาออกจากสมาธิมาก็จะไม่มีอุเบกขาที่จะมาสนับสนุนในการเจริญ พิจารณาสิ่งที่ไม่น่าไม่น่าพิจารณาเช่นอุอ ส, สุภาหรือความตายเป็นตน้นแต่อุปจรารสมาธินี้มีประโยชน์หลังจากที่ได้บรรลุธรรมแล้วหลังจากที่ได้บรร ล, ลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วสามารถเอามาใช้ในการสั่งสอนพวกกายที่คือพวกเทวดาทั้งหลายได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำทุกคืน ภพาธาิติของพุทธเจ้านี้หนึ่งในภพธิติห้าคือการแสดงธรรมให้กับเทวดาตอบคําถามเทวดาในยามดึกยามบ่ายทรงแสดงธรรมสอนญาติโยมยามข้างทรงแสดงธรรมสอนภิกษุภิกษุณีสัมมาเตสัมมเนรียามดึกทรงแสดงธรรมให้แกัเทวดาอันนี้ต้องใช้อุปจารสมาธิเวลาแสดงธรรมให้กับเทวดา ที่โปดรดต่อผู้ธรรดาอยู่หนึ่งพันสาก็ไม่ได้ไม่ได้หออเหาะเหินขึ้นไปบนสวรรค์ใช้อุปจารสมาธินี้ติดต่อกันเหมือนที่ในขณะนี้อาตมาติดต่อ ก, กับคุณหมอไม่ได้ไปนั่งอยู่ที่ห้องเดียวกับคุณหมอฮะแต่ดูในจอนี้เหมือนกับว่านั่งอยู่ในที่เดียวกันแต่ความจริงไปโดยผ่านกระแสข อ, ของของคลื่นวิทยุที่ใช้ในการเชื่อมต่อในระบบของอินเทอร์เน็ต อันนี้ก็เหมือนกันอุปจารสมาธินี่ก็เหมือนกับผู้ที่ ม, มีมีเครื่องเครื่องที่สามารถติดต่อทางอินเทอร์เน็ตได้แต่มันไม่มีประโยชน์ในการที่จะมาสนับสนุนในการเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นไตร ล, ลักษณ์เห็นอสุภะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความตายของร่างกายและเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆทั้งหลาย ที่จิตไปยืดไปติดไปรักแล้วก็ไปทุกข์เพราะอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับตนเป็นนานๆก็จะไม่สามารถที่จะเอามาพิจารณาเพื่อสอนจิตให้ปล่อยวางได้นี่คือเรื่องของสมาธิสามชนิดได้กันที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควร นอกจากว่าถ้าคุณหมอยังสงสัยในประเด็นไหนอยู่ก็สามารถสอบถามได้ครับผมอาจารย์ครับสมาธิก็คือเป็นผลของสติใช่ไหมครับอาจารย์ใช่สติเป็นเหตุถ้าไม่มีสติใจจะลอยไปลอยมาก็จะไม่มีวันเข้าสมาธิได้เปลี่ยบเหมือนกับเวลาที่เราจะเอาได้เข้ารูเข็มนี่รเราต้องมีสติใช่ไหมจิงเราต้องมองอยู่ที่ได้กับเข็มอย่างเดียวะ เพื่อที่จะได้ร้อยได้เข้าไปในรูเข็มได้ฉันใดการเอาจิตเข้าสมาธิก็เหมือนกับเอาเอาจิตเข้าผ่านรูเข็มเข้าไปนั่นเองผ่านรูจมูกเช่นต้องดูที่ลมหายใจมีอย่างเดียวแล้วก็ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เป้าหมายก็คือต้องการหยุดความคิดนถะ้ามีสติที่มั่นคงที่ต่อเนื่องความคิดใ น, นที่สุด ก, ก็จะหยุดดลง พอหยุดลงจิตก็เด่งเข้าสู่ความสงบทันทีการเข้าสู่ความสงบ น, นี้มักจะมีความรู้สึกว่าตกจากที่สูงจะวุบลงไปแล้วก็เย็นสบายหรือแต่สักแต่ว่ารู้ร่างกายอาจจะหายไปหรือบางทีไม่หายไปก็ได้สมาธิมีสองลักษณะความรู้สึกว่าร่างกายยังมีอยู่ความรู้สึกว่าเสียงยังได้ยินอยู่แต่จิตไม่มีความอารมณ์กับเสียงที่ได้รับรู้ ร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จิตก็ไม่มีอารมณ์กับความเจ็บของร่างกายบ่อยให้ร่างกายเจ็บไปแต่จิตจะแยกออกจา ก, กจร่างกายไปในช่วงนั้นเนื่อยถ้าเป็นแบบลงไปเลือกเลือกเต็ม ร, ร้อยก็ร่างกายหายไปหมดเลยเหมือนกับว่าลอยอยู่ในอวกาศอยู่เพียงลำพังนี้คือลักษณะของสมาธิผมจะนําไปปฏิบัติต่อไปครับอาจารย์ครับ เย่นพยายามเจรานสติอย่าไปหวังสมาธิอย่าไปคิดถึงสมาธิเห ม, มือนกับสมาธิถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเวลาราลับประทานอาหารสมาที่ก็คือความอิ่มความอิ่มไม่ได้เกิดจากการที่เราอยากให้มันอิ่มนะครับสมาความอิ่มเกิดจากการที่เราตักเข้าเข้าปากรับประทานอยู่อย่างต่อเนื่องเวลาเรารับประทานอาหารเรามังจะไม่หยุดรับประทานจนกว่าเราจะอิ่มเพราะ อ, อิ่มแล้วทีนี้ก็หยุดไปเองโดยอัตโนมัติ ไม่มบังคับบังคับไ่ใมันกินมันก็ไม่อยากจะตินตอนท่านนั้นท่านนดสติก็เหมือนกันสติก็คอยควบคุมจิตไม่ให้คิดปรุงแต่งจนกระทั่งจิตยอมแพ้หยุดความคิดปรุงแต่งได้ปั๊บจิตก็รวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธินิ่งสง บ, บอยู่ในความว่าเย็นสบายไม่ต้องถามใครถ้าถึงจุดนั้นแล้วมันจะรู้เองสันติทิโก ผมข อ, อการถามแทนเพื่อนๆนบ้างนะครับอาจารย์ครับจากคุณโสพลครับการนั่งสมาธิต้องทำยังไงที่จะให้จิตสงบได้ต้องกำหนดจิตปรภาวนาไหมครับท่านอาจารย์ก็คือต้องมีสติคอยควบคุมจิตให้อยู่กับอารมณ์เดียวสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมนหายใจเข้าออกหรือพุโทโธพุโทโธในขณะที่เวลานั่งแต่เวลาที่ไม่ได้นั่งก็ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย ไม่มีสติกับการทํางานพูดง่ายๆในการทํางานทางโลกนี้จะไม่เป็นไม่เป็นสติที่จะเ อ, อื้อต่อการนั่งสมาธิเพราะเป็นมีสติอยู่กับการงานแต่ก็มีความคิดอยู่ตลอดเวลาเพราะการทํางานทางเลกต้องคิดไปด้วยนั่นต้องเป็นสติแบบไม่คิดคือแบบผู้แบบนั่งหัวในการทํางานของนั่งหัวนี่มักจะไม่ต้องใช้ความคิด พนักบัวจะไม่มีงานที่ต้องใช้ความคิดเช่นเวลาปัดกวาดเวลาทําความสะอาดเวลาเดืองจกกรมเวลารับประทานอาหารนี่ไม่ต้องใช้ความคิดคือแต่ให้มีสติกับกับคอยเฝ้าดูเพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆอันนี้ถึงจะเป็นสติที่จะทําให้จิตเข้าสู่ความสงบได้เพราะถ้าเป็นสติที่เกิดจากการทํางานเวลามานั่งสมาธิก็กยังดูลงไปแล้วก็ยังคิดอยู่ เพราะว่าเวลาทํางานก็มีสติอยู่กับการทํางานแล้วก็คิดไปกับงานที่กําลังทำอย่ดงนั้นสติแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นสัมมาสติสัมมาสติต้องเป็นสติที่จดจ่ออยู่กับงานที่ทําอย่างแต่ไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆให้รู้เฉยๆรู้ว่ากําลังรับประทานอาหารรู้ว่ากําลังอาบนะ้ารู้ตอนว่าลังแปรงฟันอย่างนี้การกระทําเหล่านี้ไม่ต้องใช้ความคิดน ให้ดูเยๆได้ต้องมีสติแบบนี้แล้วเวลามานั่งสมาธิจะใช้การมีสติอยู่กับพุโทโธก็ได้ก็ท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปหรือจะมีสติอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกได้ก็ดูลมหายใจที่ปลายจมูกไปอย่างได้อย่างหนึ่งหรือสําหรับบางท่านก็เอามารวมกันก็ได้เชนดูลมด้วยแล้วก็บริกรรมพุโทโธควบคู่ไปด้วยก็ได้ ดันั้นก็จะมีลักษณะสามสามแบบด้วยกันแบบดูลมอย่างเดียวแบบบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวแล้วก็แบบบริกรรมพุโทโธกํากับไปกับการหายใจกับลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็แล้วแต่จริตแล้วแต่ความพอใจสามารถเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้มีคําถามบอกว่ากราบนวัชการพระ อ, อาจารย์ค่ะเป็นเกย์ถือเป็นบาปไหมคะ ไม่บาปหรอกเพราะว่าเองก็ถ้าไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่รักทรัไม่ไปพูดผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสารยาเมาก็ไม่ถือว่าบาปนักคนเพศเดียวกันก็ไม่บาปเพราะความจริงเราไม่ได้รักคนเพศเดียวกันหรอกเพราะใจเรานี้เป็นเพศหนึ่งที่ที่เรารักเพศตรงกันข้ามใช่ไหมเพียงแต่ว่าร่างกายของเรามันไปไปได้ไม่ไม่ได้เราได้ร่างกายที่มันไม่ที่มัน มันขัดกับเพศของเราเช่นเราเป็นผู้หญิงเราไปได้ร่างกายของผู้ชา ย, ยาแต่ความจริงเราก็รักผู้ชายเวลาเราไปรักของผู้ชายคนก็จะเห็นว่าผู้ชา ย, คนคนยราายักผู้ชายแต่ความจริงเป็นผู้หญิงรักผู้ชายเหแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่ได้ร่างกายของผู้ชายเท่านั้นเองถ้าคนเข้าใจหลักนี้แล้วจะไม่ไม่ไม่รำเกียดคนที่เป็นประเภทสองประเภทสาม เพราถือว่าเราดูที่จิตใจเขาเป็นแบบถ้าจิตเขาเป็นผู้หญิงเขาต้องชอบผู้ชายถ้าจิตเขาเป็นผู้ชายเขาต้องชอบผู้หญิงเป็นธรรมดาเพียงแต่ว่าธรรมชาติบางทีมันอาจจะเกิดการตกบกพร่องเวลาไปเกิดควรจะได้ร่างกายของผู้หญิงก็ดันไปได้ร่างกายของผู้ชายนรตกครับมันก็เลยทําให้เป็นประเภทสองประเภทสามขึ้นมาได้เอง คำถามจากคุณสมพรครับน้อมกากนรัสการผุดฉาพระอาจารย์กับผมเป็นครูทําผลคะแนนนักเรียนผิดพลาดช่วงสอบออนไลน์เนื่องจากไม่ถนัดไอทีทําให้ต้องส่งหลักฐานคะแนนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องน้องกากเรียนพระอาจารย์กับผมต้องใช้ทำมาข้อใดแก้ปัญหารู้สึกมีความทุกข์ในใจลึกๆน้องกากนรัสการพระอาจารย์ครับคือถ้ามันผิดแล้วเราไปทําให้มันถูกได้ก็เหมันก็ไม่อาจจะมีปัญหาเลย ไ, ไปทําใหม่ บอกว่าที่ส่งไปนั้นผิดเราต้องควรยอมรับผิดอย่าให้พูดอื่นก็มารับผิดแทนเราเมื่อเราทําผิดเราก็ต้องกล้าที่จะรับผิดและบอกว่าเราทําผิดผิดพลาดไปขอแก้ไขใหม่ขอแก้ไขอะไรใหม่แต่ถ้าเสื่ว่าไม่สามารถที่จะไปแก้ไขได้ก็ต้องทอมทำใจว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นอุบัติเหตุไปเป็นเนื้อเหตุส่วนบุคคล เมันผ่านไปแล้วถ้าเราไม่สามารถไปแก้ไขไปทําอะไรได้ก็ต้องปล่อยมันไปแล้วก็ามาเป็นคติเตือนใจว่าต่อไปเราจะทําอะไรต้องทําให้ถูกต้องเราต้องมีสติให้รู้อยู่ทุกเวลาว่าเรากําลังทําอะไรแล้วการผิดพลาดมันก็จะได้ไม่เกิดขึ้นคุณปุ้ยครับบอกว่าขอร้องให้คุณหมอบอกพระ อ, อาจารย์ขอพรวันเกิดหน่อยค่ะลืมขอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคะ่ะ จากปุ้ยรักซมเบิร์กคะ่ะก็แฮปปี้เบิร์นเดย์ก็แล้วกันอยู่ข้ากก็จะให้รสาแฮปปี้เบิร์นเดย์ทูยูมันมีแต่ความสุขความเจริญคุณสวัสดิครร์ครับการวัศการครับผมจะเรียนถามเรื่องการปฏิบัติว่าเวลาผมกําหนดสติกับการกระทำใดๆจะมีปิติสุขหรือจิตสงบกับการกําหนดสติกับอาการนั้นๆแต่จะไม่นานครับทําได้ทุกครั้งทุกเมื่อทุกเวลาแต่ทําได้ไม่ต่อเนื่องครับ สิ่งนี้เรียกว่าหรือคืออะไรครับวิธีการที่จะรักษาหรือพัฒนาให้ดีขึ้นเจริญขึ้นต้องปฏิบัติอย่างไรหรือทำอะไรเพิ่มเติมครับกับนักวการหลวงพ่อดียครับก็แสดงว่าเราเรามีสติที่สามารถทาให้จิตสงบเป็นพักได้แม้ว่าอาจจะเรียกว่าคณิกาแบบย่อยยังยังไม่เป็นจิตความสงบแบบเต็มเต็มที่ก็ยังเข้าไม่ถึงฐานของจิต เป็นอยู่ในขั้นถ้าเป็นชางก็อาจจะเป็นฌานหนึ่งฌานสองที่เกิดมีปิติมีสุขเกิดขึ้นแต่ยังเข้าไม่ถึงอุเบกขาอันนั้นจะจะเข้าถึงอุเบกขาได้จะต้องด้างเฉยๆนั่งหมัตาแต่เวลาเรากำหนดสติด้วยการเดินจบกรมด้วยการทำอะไรนี่ก็สามารถทำให้จิตเข้าระดับฌานหนึ่งฌานสองได้อันนี้ก็ ก็เป็นผลที่เกิดจากการที่เรามีสติค อ, คอยกำกับ ก, บกับการกระทําต่างๆยังมีปิติมีสุขเกิดขึ้นแต่ยังไม่เกิดรูเบคาเพราะจะต้องมีสติที่ต่อเนื่องและและมากกว่านั้นถึงจะสามารถดับจิตให้เข้าสู่ระดับอปปนาสมาธินาะหรือคณิกาสมาธินะ คุณรอยครับเวลานั่งสมาธิอาการต่างๆจะมาเช่นลมตีขึ้นตลอดจะทําอย่างไรเจ้าคะอย่าไปสนใจให้เรากาดติดอยู่กับอารมที่เราใช้ผูกใจดูลมก็ดูลมต่อไปพุโทโธก็พุโทโธต่อไปอย่าให้ความสนใจกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาบางทีก็เกิดคันตรงนั้นคันตรงนี้เจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้หรือาบางทีก็คิดว่ามีน้าลายเต็ม ป, ปากจะคืนก็ไม่น่าจะ จะทํำยังไงอย่าไปสนใจให้อยู่กับลมไปอยู่กับพุทโทไปอันเดียวมันก็จะไม่มาล็อกปนใจถ้าเราไม่ไปให้ความสำคัญจากคุณอิงออนครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลาโยมเดินจงกรมและนั่งสมาธิลมหายใจจะยาวมากบางทีเหมือน ห, หายไปเลยทั้งที่ไม่ได้กัน้นลมหายใจอาการอย่างนี้เรียกว่าจิตรวมเป็นหนึ่งใช่ไหมเจ้าคะโยมอยากปฏิบัติภาวนาให้ก้าวหน้ามากกว่านี้ขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยเจ้าคะ่ะ ก็ยังไม่ถึงกับรวมแต่เห็นว่าจิตเริ่มเข้าสู่ความสมบงบลมหายใจก็จะยาวยาวและบางขึ้นเพราะว่าจิตไม่จิตร่างกายไม่ได้ใช้พลังงานมากแล้วจิตก็ไม่ได้ใช้ความคิดมากมันก็เลยทําให้ลมหายใจนี่จะยาวขึ้นแล้วก็จะเบาลงเบาลงบางทีอาจจะรู้สึกว่าลมหายใจหายไปเลยก็ได้ อย่าไปสนใจว่ามันเป็นอะไรเลยขอให้มันสงบให้มันเย็นให้มันสบายแล้วทําต่อไปให้มันเป็นอย่างนี้ น, นานๆถ้าอยากจะให้มันลงลึกกว่า น, นี้ต้องลองนั่งถ้าเราเดินจยกมืแล้วมีอาการเหล่านี้เราลองเปลี่ยนมานั่งคิดว่ามันจะลงไปมากกว่านี้ก็้าไปมากกว่านี้จะสงบมากกว่านี้ คำถามจากคุณดวงตาครับกลาวพระอาจารย์เลี้ยงลูกโตแล้วแต่ต้องมาเลี้ยงหลานต่อเหตุเพราะเขาเคยเลี้ยงดูเรามาก่อนหรือเปล่าคะสาธุค่ะเหตุแน่เดีดนี้ก็มันก็ไม่มีใครรู้นอกจากถ้ามียาอญัมทราบเหตุปัจจุบันก็คือเราปฏิเสธไม่ได้พอลูกเอาหลานมาให้เลี้ยงเราก็ปฏิเสธเขาไม่ได้เราก็เลยต้องเลี้ยงเขาไปถ้าเราปฏิเสธได้เราก็ไม่ต้องเลี้ยงเขา นั่นอยู่ที่ว่าเราปฏิเสธได้หรือไม่ปฏิเสธได้มากกว่าคําถามจากคุณโต้งครับราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับผมปฏิบัติไปแล้วเกิดเห็นจิตผู้คิดผู้นึกขึ้นตรงกลางอกแล้ววิ่งเป็นก้อนขึ้นไปที่หัวแล้วก็รับรู้อาการนึกคิดของจิตแบบนี้ต้องฝึกอย่างไรต่อไปครับขอความเมตตาพระอาจารย์ด้วยครับเออันนี้เป็นเป็นเรื่องจินตนาการของเราว่าเป็นมู่นเป็นนี้อย่าไปสนใจให้อยู่กลับมาอยู่ที่ พุโทโธแล้วอยู่ที่ลมหายใจที่เราใช้เป็นเครื่องกำลังขับใจอย่าไปสนใจกับไอาการกต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นก้อนอยู่ตรงโอ๋อยู่ที่หน้า อ, อกอย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปถ้าใจพุโทโธหรือถ้าอยู่ใช้ลมหายใจก็ดูลมหายใจไปอย่าไปสนใจเพราะฉะนั้นจิตก็จะไม่มีวันสง บ, บได้ จะคุณเปตองครับขออนุญาตถามพระอาจารย์ครับการบวชหน้าไฟในงานศพจําเป็นต้องทํำไหมครับการบวชนี้ต้องบวชแบบไม่เสร็จถึงเรียกว่าเป็นการบวชที่แท้จริงการบวชที่บวชแล้วเสร็จนี้ยังถือว่าเป็นการมาชิมรางอยู่เป็นเหมือนมาชิมอาหารอาหารชนิดนี้เราไม่เคยกินเลยเรามาชิมทักษะดูซิว่าเป็นยังไงถูกใจไหมถ้าถูกใจก็อาจจะสั่งจานใหญ่มารับประทาน การบวชจริงๆนี่ต้องบวชแล้วไม่เสกในสมัยพรุตตการนี้ไม่มีใครเสกันรบวชเพื่อบรรลุมรับผลนี่ผ่านกันแต่สมัยนี้ไม่ได้บวชเพื่อบรรลุมรับผลนี่ผ่านบวชเป็นพิธีบวชเป็นธรรมเนียมมากกว่าคุณต้นโสกครับการพัธการเจ้าข่าเวลานั่งสมาธิพอจิตสงบแล้วจิตไปอยู่ที่นิ่งๆเฉยๆเป็นแบบนี้มานานมากแล้วพอสมาธิเขาคลายออกเขาก็ออกมาเองค่ะหนูต้องทําอย่างไรต่อคะ หลปฏิบัติมาสิบกว่าปีแล้วค่ะไปอยู่ตรงนี้ค่ะก็พยายามนั่งให้มากขึ้นเทียาเกิดเรานั่งแค่วันละครั้งเราก็กนจะเพิ่มเป็นสองครั้งสามครั้งเพิ่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเอาเวลาทั้งหมดมาให้กับการฝึกสมาธิให้จิตสงบทั้งหันแล้วถ้าทำอย่างนั้นได้แล้วเราก็ไปขั้นปัญญาต่อได้ ออกมาจากสมาธิเราก็มาพิจารณาไตแล้วพิจารณาร่างกายว่าเป็นายทักพิจารณาจิตเป็นไตรักพิจอ ท, ท, ที่เพ <c oughs> ื่อจะได้ปล่อยว่าคุณเกียรติศักดิ์ครับขออนุญาตครับถ้าปฏิบัติแล้วไม่รู้สึกเจ็บปวดนะครับมันคืออะไรครับผมก็ ย, ยังปฏิบัติน้อยน่ะสิถ้าปฏิบัตินานๆแล้วเดี๋ยวมันต้องเจ็บปวดอย่างแน่นอน ที่ไม่เจ็บปวดถ้านั่งนานแล้วไม่เจ็บปวดก็ว่าจะหลักไปก็ได้เวลานั่งหลับนี้ก็จะไม่รู้สึกอาการเจ็บปวดของร่างกายเกิดขึ้นพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็เลิกนั่ก็จะไม่มีวันเจอความเจ็บปวดต้องนั่งแบบที่เรามีความมีความรู้สึกแบบตอนนี้ตอนนี้เรานั่งฟังนั่งคุยกันเรามีความรู้สึกตัวตลอดเวลาต้องนั่งแบบนี้แล้วเดี๋ยวก็จะรับรู้ว่าการเจ็บปวดของร่างกายขึ้นมาอย่างแน่นอน อ <c oughs> าจารย์ครับการนั่งนี้ยังไงก็ต้องผ่านความเจ็บปวดใช่ไหมครับอาจารย์ไม่แน่หรอกถ้าเรามีสติ ด, ดีครับนั่งมาห้านาทีจิตสงบนี้ก็จะไม่ผ่านความเจ็บปวดแล้วแต่ถ้าเราอยากจะให้ผ่านความเจ็บปวดหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วเราก็นั่งต่อไปนั่งต่อไปแล้วก็ก็นั่งสมาธิอีกรอบหนึ่งแล้วคิดว่า รอที่สองนี่มันอาจจะยากกว่ารอบแรกรเพราะกำลังสติของเราอาจจะน้อยลงแล้วความอยากที่จะไปทำอย่างโน้นอย่างนี้มันก็มากขึ้นมันก็อาจจะทำให้จิตไม่รวมเหมือนครั้งแรกรอบแรกแล้วถ้านั่งไปสักพักเดี๋ยวก็จะได้รับสัมผัสกับความเจ็บป่วยของร่างกายตามมาต่อไปคุณสุทีรัตน์ครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ ใส่บาตรตอนเช้ากับสมมุติสงฆ์กับใส่บาตรพระอริยะสงฆ์บุญกุศลที่ได้รับต่างกันไหมครับถ้าเพียงแต่ใส่บาตรอย่างเดียวกับทั้งสองรูปนี้ไม่ต่างกันจะต่างกันก็ต่อเมื่อเราตามไปที่พักล้วไปสนทนาธรรมกับท่านอันนี้จะต่างกันถ้าเราสนทนาธรรมกับพระอริยะสงฆ์เราจะได้ธรรมแท้ถ้าเราสนทนาธรรมกับพระสมมุติ์เราจะได้ธรรมเทียมธรรมที่ยังไม่ได้รับการ ขาดก่าจากการปฏิบัติยังไม่ได้รับการพิสูจน์จากการปฏิบัติยังเป็นทำแบบแบบนึกคิดเป็นธรรมแบบที่ยังไม่ได้สัมผัสกับความจริงของธรรมว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าได้คุยกับพระอริยสงฆ์นี้ท่านอยากพูดถึงความจริงเรือตัวจริงของธรรมว่าเป็นอย่างไรให้เราฟัง คำถามจากคุณทิติวัตรครับพระท่านผู้สิ้นกิเลสสามารถเข้าอัปปนาสมาธิได้ไหมครับอ๋อท่านเข้าได้ตั้งแต่ก่อนที่ท่านท่านยังมีกิเลสอยู่ท่านสมาธินี้เป็นขั้นก่อนที่จะไปสู่การสิ้นกิเลสต้องมีสมาธิถึงจะสามารถเอาไปใช้ต่อการละกิเลสได้ คุณแพตตี้ครับเขาโอกาสกลับเรียนถามอาจารย์ค่ะปกติลูกเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธแต่หลายครั้งมักหลุดไปคิดเรื่องอื่นๆก็พยายามกลับมาที่พุทโธแต่จากการปฏิบัติมาสังเกตว่าถ้าคิดถึงความตายจะสามารถเข้าถึงความสงบว่างโล่งได้ง่ายกว่าลูกสามารถเจริญสติด้วยการคิดถึงความตายบ่อยๆแทนได้ไหมเจ้าคะหลักการที่ถูกต้องคือวิธีการใดที่ทําให้ใจเราสงบหยุดความคิดได้หยุดกิเลสได้ลูกเข้าใจถูกไหมเจ้าคะ ได้การระลึกถึงความตายก็เป็นการเจริญสติอีกแบบหนึ่งเรียกว่ามณานุสสติการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติเช่นพุทโธพุทโธการดูลมหายใจก็เรียกว่าอานาปานาสติยันการเจริญสติในหมวดของอนุสติที่มีอยู่10บสบชนิดด้วยกันการระลึกถึงเทวดาก็เทวานุสติ การรึกถึงความว่าก็กได้มีวิธีหลายวิธีเราเลิกถึงพระพุทธก็ได้พระธรรมก็ได้พระสงฆ์ก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติ ถ, ถ้าเราะหนัดกับการเจริญวารณุสติแล้วก็ใช้การรลึลกถึงความตายเพื่อให้ใจเข้าสู่ความเป็นระดาคุณบุมบิ่มครับคารวาสจะสามารถบรรลุธรรมโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิได้ไหมเจ้าขะ ถ้ามันมีสมาธิมาแล้วทําไม่ได้น่งคือชาติก่อนจ ะ, จะเจริญจิตจะทั่ง ม, มีอุเบกขาตลอดเวลาแล้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ถ้ามีอุเบกขาตลอดเวลาถ้าไม่รับชังกลงัวหนุนก็สามารถพิจารณาทำเพื่มบรรลุธรรมได้คุณสาครับพระอาจารย์คะเรื่องจิตกับกายที่แยกกันดูจากข่าวแม่ทําร้ายลูกแรกเกิด กายเป็นแม่แต่จิตใจไม่เป็นแม่เราสามารถพิณาแบบนี้ได้ไหมคะได้แบบใจเป็นยักษ์เนี่ยพระเจ้าพวกเราทุกคนเมีร่างกายเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ใจเนี่อาจจะไม่เหมือนกันใจบางคนก็เป็นยักษ์เป็นมารใจบางคนก็เป็นเทพใจบางคนก็เป็นมนุษย์ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของของใจของใจนี่เองถ้าทําบาปทํากรรมนี่เรียกว่าใจเป็นสัตว์ในราชาหรืใจเป็นยักษ์ เนื้ใจเป็นนรกเป็นสัตว์นรกก็้นอยู่กับบาปที่ทําว่ารุนแรงขนาดไหนสนใจที่มีความเมตตากรุณาก็เรียกว่าใจที่เป็นเทพสนใจที่เป็นกลางกางไม่ไม่จะว่ารักก็ไม่ไม่น่าจะว่าเกียดก็ไม่เกียดก็เรียกว่าใจของมนุษย์มันเกิดจาบกลางกาคุณวัชราครับกาตัรสการพระอาจารย์ครับ ผมสงสัยในขณะผมนอนหลับผมมีความรู้สึกเหมือนกำลังสวดมนต์และสวดอย่างต่อเนื่องอย่างมีความสุขจนไม่อยากหยุดเหมือนกับเคยเรียนบทสวดมาก่อนทั้งที่ไม่เคยท่องจําบทแต่สวดอย่างคล่องแคล่วเหมือนประหนึ่งว่าเป็นบทสวดที่ท่องจํามาก่อนความรู้สึกนี้เกิดขึ้นมานานหลายปีแต่ยังจําเหตุการณ์ในครั้งนั้นมาตลอดซึ่งงงเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วหายไปอย่างนี้พอมีความหมายอย่างไรครับขอกราบนมัสการครั บ, ก, รบก็เป็นเพราะว่าเราในอดีตชาตเราเคยสวดมนต์มาก่อนนั่นเอง พอเวลาเราหลับแต่เราอาจจะหลับไม่สนิทแล้วมันก็อาจจะมีการแสดงการสวดมนต์ขึ้นมาให้เราได้รับรู้ก็ได้ก็ไม่มีนัยยะสําสคัญอะไรการสวดมนต์นี้ถ้าอยากให้เกิดประโยชน์ต้องทําอยู่เรื่อยๆเพราะการสวดมนต์ก็เป็นวิธีเจริญสติอีกวิธีเพื่อใจเราแม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพื่อที่เราจะสามารถ เอามาใช้ในการนั่งสมาธิต่อไปได้แต่การสวดมนต์อย่างเดียวนี้ไม่สามารถจะดึงใจให้เข้าสู่สมาธิได้เต็มที่ต้องเปลี่ยนจากการสวดมนต์มาเป็นการดูลมหายใจเข้าออกหรือบริรกรรมหุ่นโถเป็นอย่างเดียวคุณพิทพงศครับเรียนการรับราชการพระอาจารย์ก่อนเรียนสอบถามแนวปฏิบัติสมาธิกระผมยังมีอารมณ์ไม่พึงพอใจเมื่อมีสิ่งภายนอกมากระทบอารมณ์จิตแต่ก็รู้ว่าอารมณ์ไม่พึงพอใจเกิดขึ้น จะหาวิธีอย่างไรให้ดับอารมณ์นี้ได้ครับกับอัมมาสการครับก็ต้องหมันจเจริญสติคือพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเวลามีอารมณ์แเราก็บริกรรพุโทโธพุทโธไปแล้วอารมณ์นั้นก็จะคลายไปได้แล้วถ้าอยากจะให้มันปราศจากอารมณ์อยากเต็มที่เราก็ต้องนั่งสมาธิจน ก, กว่าจิตจะรวมเป็นอัปปนาสมาธินั้นก็มีอุบเบกขาปรากฏขึ้นมา เราใจก็จะว่าใจจะว่างจากอารมณ์ต่างๆคุณเปตองครับคำว่าสีลพตะปรามาสคืออะไรครับคือการกระทําที่คิดว่าจะช่วยกําจัดอความทุกข์ต่างๆในใจของเราให้หมดไปได้เช่นเวลาเราไม่สบายใจเราก็ไปไหว้พระพิฆเนศบ้างไปไหว้พระพรมบ้างไปขอพรให้ช่วยกําจัด ปัญหาต่าง ๆ, ๆที่เรามีอยู่ให้หมดไปอย่างนเรียว่าศีลปัจจาระมา์าเราไม่รู้ว่าสาเหตุที่ทําให้เราทุกข์ใจนี้เกิดจากอะไรถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมจนรเราเริเป็นพระโสดาบันเราจะรู้ว่าความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากการกระทำสองอย่างคือหนึ่งการกระทําบาปในตอนเราทําบาป ใ, ใจของเราจะร้อนขึ้นมาใจของเราจะมีความทุกข์หรือจะมีปัญหาต่างๆตามมา แล้วถ้าเราอยากจะให้ปัญหาต่างๆตามมาถ้าเราไม่รู้กฎไม่รู้เหตุเ่าก็อาจจะไปขอไปไปขอพรจากศิษย์ศรีษ์ทั้งหลายนี่เรียกว่าศีลละประดัมาแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันรู้ว่าอ๋อปัญหาของเราความทุกข์ของเราเรื่องวุ่นวายต่างๆเกิดจากการไปทําบาปเช่นไปชอบโกงเขาก็ต้องมีเข้ามาตามล่าจากเรามาทวงนี้มาเป็นคดีความกัน ถ้าเราไม่อยากจะมีปัญหาอหล่นี้เราไมอยากทําบาปท่านเองเห็พระโสดาบันก็จะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดเพราะถ้ารู้ว่การทําบาปถึงแม้ว่าจะได้ผลประโยชน์มาแต่มันก็ได้ความทุกข์ความวุ่นวายใจตามมาด้วยไม่คุ้มไม่คุ้มค่าและอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ใจทุกข์ก็คือความอยากนี่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเป็นต้นพระโสดาบันเห็นชัดเจนว่าความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้ ทำให้ใจทุกข์ทรมานถ้าไม่อยากจะทุกข์ทรมานก็ยอมยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายหยุดความอยากปล่อยให้ร่างกายแก่ปล่อยให้ร่างกายเจ็บปล่อยให้ร่างกายตายไปตามธรรมชาติขเขาใจก็จะไม่ทุกข์นี่คือเห็นพระโสดาบันท่านละศีลปฏิบติปรมาจารได้พราะท่านรู้วิธีที่จะทําให้ใจของท่านไม่วุ่นวายก็คือไม่ด้วยการไม่กระทํา ไม่ใช่ไปทาบาปแล้วก็ไปบูนบานสารกับขอให้ทุกภัยหายไปมันไม่หายมันทีไปป้นธนาคารแล้วก็ไปไหว้พระผมขอให้ก็อย่ามาจากผมก็คุกเก้าตารางเลยอย่างนี้เป็นต้นคุณวีนาครับกราบขออนุญาตพระอาจารย์ว่าแม่ที่ทําให้ลูกเกิดมาแล้วนําไปทิ้งที่ักขยะหรือตามโรงพยาบาล น, นี่าบาปไหมคะ ถ้ายังไม่ตายก็ไม่บาปแต่ถือว่าเป็นไรความเมตตาหรืออาจจะเป็นเพราะว่าถึงถึงแม้เขาอาจจะอ้างว่าเขาไม่มีฐานะที่จะเลี้งดูได้อันนี้ก็ก็สู้สัตว์เรลาฉาบไม่ได้หมามันยังเลี้ยงลูกของมันเลยแต่คนนี่ที่ถือว่าประเสริฐกว่าหมาถ้ายังเลี้ยงลูกของตนเองไม่ได้ก็ถือว่าเลว ก, กว่าหมาขาดความเมตตา แต่ไม่บาถ้าไม่ทำให้เขาตายถ้าจะไปจับท้าโลกให้กดน้ำให้ตายนี่ถึงจะเรียกว่าบาทคุณพีระครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ได้ไหมครับผมอยากทราบว่าเหตุใดพระอาจารย์จึงได้ออกบวชครับเพราะผมได้อ่านประวัติท่านจาก w i กิ p ีเดียเห็นท่านจบจากโรงเรียนคริสและไปเรียนต่อเมืองนอกซึ่งแบบนี้ส่วนมากผมเห็นไปทำงานทางโลกกันเพราะว่าทางเหล่านี้มันไม่ได้นาไปสู่การดับทุกนั่นเอง เรยนจบแนละ้วไปอย่างทุกข์ทุกข์กับการทํางานทุกข์กับการหารงานเวลาเรียนก็ทุกข์กับการเรียนมันไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องของความทุกข์ยังต้องมาทุกข์กังวดกับความแก่ความเจ็บความตายแล้วพอได้อ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าสอนวิธีที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ได้อย่างสิ้นเชิงก็เลยทําให้เกิดศรัทธาตอนนั้นก็ยังไม่ที่อยากจะบวชตอนั้นก็เพีงแต่ศึกษาแล้วก็ลองปฏิบัติ พอปฏิบัติแล้วเริ่มเห็นผลจากการปฏิบัติว่าสามารถากถําจัดความทุกได้จริงแต่ยังไม่หมดสิ้นไปได้บางส่วนได้บางบางช่วงบางเวลาก็ทําให้เกิดศรัทธาอยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นและการที่จะปฏิบัติได้มากขึ้นก็ต้องปเป็นต้องไปบวชเท่านั้นเองเพราะถ้าไปทํางานมันก็จะมีเวลาน้อยเพราะส่วนใหญ่ก็ต้องเอาเวลาไปทํางานแต่ระยเวลามาปฏิบัติเพีงนิดเดียวซึ่งไม่พอต่อการกําจัดความทุกต่างๆ ให้มันหมดสิ่งไปจากใจได้ก็เลยตัดสินใจออกคุณนางครับขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะหากเราไปทำบุญใส่บาตรกับพระที่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยเราจะบาปไหมเจ้าค่ะเช่นฉันข้าวเย็นอยู่และรับปัจจัยจากญาติโยมอย่างนี้เจ้าค่ะเราก็ไปช่วยให้พระท่านทาผิดพระวินัยมากขึ้นทำให้เสื่อมเสียกับพระศาสนามากขึ้นงั้นเมื่อเรารู้ว่า เป็นการกระทําที่ไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับศาสนาเราก็ไม่ควรไปกระทำแต่ไม่บาปการทําบุญไม่ว่าจะทําทกับใครไม่บาปทำกับงูพิษก็ไม่บาเปเพียงแต่ว่าถ้าเราไปทำกับงูพิษก็เหมือนกับส่งเสริมให้งูพิษมันมีกําลังวังชาที่อาจจะไปกัดไปทำาำร้ายผู้อื่ได้เท่านั้นเองคำ ถ, ถามจากคุณแพทครับกลับเรียนถามค่ะการนั่งสมาธิต้องหลับตาจึงจะนิ่ง โยมอยากทราบว่าการนั่งสมาธิแบบลืมตาหรือการเคลื่อนไหวสามารถเข้าสู่สมาธิได้อย่างไรคะไม่ได้นะเพราะว่าการที่เข้าสู่สมาธิได้เราต้องตัดการการส่งจิตออกทั้งทวารทั้งห้าคือตาหูจหมูกนิ้วกายเราต้องการดึงใจให้ออกจากทวารทั้งห้าถึงจะเข้าสู่ความสงบได้ดันั้นตาเราถึงต้องปิดเพราะถ้าเราลืม จิตของเราก็จะออกมาทางตาแทนที่จะเข้าไปข้างในมันก็จะไม่ยอนเข้าเพราะมันจะดูนั่นดูนี่ไปเรื่อ ย, อยนั่นเองคุณแพที่ครั บ, ก, บรรการธรรมสการเรียนถามอาจารย์ผู้ป่วยที่ไม่สามารถนั่งได้จะฝึกสมาธิท่านอนได้ไหมเจ้าคะได้ถ้าไม่ดับส่วนใหญ่ท่านอนนี่เป็นที่ท่าสบายอาจจะทำสมาธิได้เพียงห้านาทีสิบนาทีแล้วก็ดับครอบไป แต่ถ้าจำเป็นจริงๆถ้ามันไม่มันมันนั่งไม่ได้ก็ทำในท่านอนได้แต่ต้องพยายามอย่าให้มันหลับให้ได้เท่านั้นเองถึงจะสงบได้คุณชวีวันครับการนั่งสมาธิที่ว่าอุปท า, านขันหมายความว่าอย่างไรคะขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายเจ้าค่ะอุปท า, านขันนี่แปลว่าการยึดติดในขันห้านั่นเองยึดติดว่ารูปเวต ทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นตัวเราของเราเราก็เลยเกิดความอยากให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปนานๆแต่ความเป็นจริงมันเป็นของเราเพียงชั่วคราวเพราะรูปคือร่างกายไม่ช้าก็เลยมันก็ต้องตายแล้วก็กลับขึ้นสู่ที่เดิมของมันก็คือดินน้าลมไฟวิทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เกิดดับเกิดดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะเลย เช่นเวทนาก็มีสุขแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่สุกไม่ทุกข์สลับกันไปสลับกันมาแต่ใจเรามักจะมีอคติเราอยากจะให้มีแต่สุขเขาเวทนาพอมีทุกข์เขาเวทนาก็อยากจะให้มันหายทันทีพอมันไม่หายมันก็เลยทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่ต้องการมีความทุกข์ใจเราต้องปล่อยให้ขันก็อยู่ตามสภาพของเขาเขาจะอยู่ก็ให้เขาอยู่ไปเขาจะไปก็ให้เขาไปแล้วใจก็จะไม่ทุกข์ นี่คือการละอุปทานในขันละความอยากให้ขันเป็นตามความต้องการของเราซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะเหมือนกับเป็นการอยากให้ดินฟ้าอากาศเป็นไปตามที่เราต้องการเชนนอยากให้เมืองไทยนี่เย็นทั้งปีนี่ได้ไหมไม่ได้นะครับฉะนั้นใดเรก็อยากให้ขันห้านี่มันให้ความสุขกับเราตลอดเวลามันก็ไม่ได้ขันห้ามันก็เดี๋ยวมันก็สลับกันเดี๋ยวมันก็ให้ความสุขกับเราเดี๋ยวมันก็ให้ความทุกข์กับเรา แดีวมันก็ให้ความไม่สุขไม่ทุกขกับเราเราต้องเข้าใจธรรมชาติของขันห้าแล้วปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเพื่อใจของเราจะได้ไม่ทุกข์นี่นี่ข้ามาเพื่อว่าละอุปทานในขันคุณบีนาครับกราบขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ว่าเด็กที่เกิดมาถกําพร้าพ่อแม่เนื่องจากพ่อแม่ตายไปตั้งแต่เด็กยังเล็กเป็นเพราะเด็กทํากรรมอะไรมาคะ ไม่ได้มีกรรมหรอกบางทีนั่นเป็นเรื่องของเหตุสุวิสัยที่พ่อแม่เขาถึงเวลาที่พ่อแม่ตายจากเราไปเราก็ถือว่าเรามาโชคไม่ดีก็บเราจังหวะไม่ดีที่ได้พ่อแม่ที่มีการเป็นไปแต่ถ้าเรามีบุญเราก็จะสามารถอยู่ของเราต่อไปได้เนื้ออาจจะมีผู้อื่นยืน่นม้ายืน่นมือมารับเราไปเป็นลูก ถ้าจะเรืงเราดูดูแลเราดียิ่งกว่าพ่อแม่ของเราก็ได้อย่างเราคงคอยได้ยินข่าวเด็กที่ยากจนในประเทศไทยที่มีชาวต่างชาติมา ป, ประปถามภอาไปเลี้ยงอยู่ดีกว่าเด็กที่อยู่กับพ่อแม่ที่ริมดูในประเทศไทยตจำนีวนแ ย, ะ, ยะก็มีถ้ามันขึ้นอยู่ที่บุญกับบาปของลูกถ้าถ้าลูกมีบุญเดี๋ยวก็จะมีอะไรมาดูแลลูกเอง ถ้ามีบาปก็อาจจะต้องเป็นเด็กกำพร้าไปอยู่สถานที่กำพร้าเล่ร่อนก็ได้อันนี้สถึงเรียกว่าเป็นเป็นบุญเป็นบาปของโลูกแต่เรื่องของความตายของพ่อของแม่นี้ไม่เกี่ยวกับลูกสนองเรื่องกันคุณนพสิษฐ์ครับกาลนิพพานพระอาจารย์ครับโลกนี้คือละครเราทุกคนเป็นแค่ตัวแสดงสมมุติมาแสดงตามกรรมของแต่ละคนใช่ไหมครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่ามันเป็น เป็นเป็นสิ่งที่เรามาแสดงกันเรามาแสดงเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นพระเป็นอะไรแ้วเดี๋ยวร่างกายตายไปบทนี้ก็จบไปคุณสารุดาครับพระที่บวชมานานแล้วอย่างนี้ก็เข้าสมาธิได้ใช่ไหมคะไม่ได้หรอกไม่ไม่ได้อยู่ที่การบวชนานและไม่บวชนานอยู่ที่การฝึกสติหรือไม่ฝึกสติ ถ้าบวชนานไม่ฝึกสติก็ไม่มีวันที่เข้าสมาธิได้ถ้าบางฝึกสติบางทีบวชไม่ได้ไม่กี่วันก็เข้าสมาธิได้ดังนั้นไม่ได้อยู่ที่บวชบวชนานไม่บวชไม่นานอยู่ที่ว่าฝึกสติหรือไม่ฝึกสติคุณชาตรีครับกราบนรัมศการครับผมยกหนี้ให้พี่สาวแล้วผมจะได้บุญมากไหมครับก็ดูที่ใจเราบุญก็คือความสุขใจ ถ้าเราสุขใจมากก็ได้บุญมากถ้าสุขใจน้อยก็ได้ได้บุญน้อยอยู่ที่ว่าเราเราเราเปความรู้สึกยังไงต่อการเสียสละของเราคุณไปตองครับขออนุญาตถามพระอาจารย์ครับคนที่ทําอาชีพดารานักสแสดงนักร้องบาปไหมครับไม่บาปหรอกก็เป็นอาชีพเนี่ย ค, คุณเจษฎากรครับกลับไปถามพระอาจารย์ครับ การให้ความรู้หรือสอนหนังสือโดยไม่รับค่าตอบแทนเป็นเป็นทานประเภทใดครับวิทยาทานวิทยาคือความรู้ทางโลกถ้าความรู้ทางธรรมอย่างที่อาตมากำลังทำอยู่ตอนนี้เรียกว่าธรรมทานคุณบุญหลงครับน้ํากลับถามว่าถ้าจิตผมปล่อยวางทั้งครอบครัวคือไม่รับรู้การกระทําของพวกเขาเพราะทำจิตไม่ส่งออกและไม่รับเหตุที่พวกเขากระทาถือว่าเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าครับ ไม่หรอก็เป็นเรื่องของเราถ้าเรายังทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ถ้าเรามีหน้าที่ต่อครอบครัวอย่างไรแล้วเราทําก็ถือว่าไม่เห็นแก่ตัวอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเราคุณจีท็อกครับคนเราเกิดมาเพื่ออะไรครับพระอาจารย์เกิดมาเพื่อหยุดการเกิดนัน่นเองเพราะการเกิดนี้เป็นทุกข์และจะหยุดการเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีพระพุทธศาสนามาบอกวิธี เห็พวเราเชคดีที่ชาตินี้ได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะเราจะมีผู้สอนให้เรารู้จักวิธีการเกิดได้แต่ถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเราอยากจะหยุดการเกิดเราก็จะหยุดไม่ได้คุณกำมณฑำครับนั่งสมาธิจนรู้สึกว่าร่างกายมีแต่โครงล่างถึงตรงนี้ควรปฏิบัติอย่างไรต่อคะก็ปฏิบัติต่อไปจนกว่ามันจะว่าง ดูลมหลายใจต่อไปนุพุธโทต่อไปยังไม่ถึงจุด อ, อิ่มตัวของจิตถ้าอิ่มตัวแล้วสิ่งต่างๆจะหายไปหมดเนื่องแต่ความว่าเราจิตจะนิ่งสงบไม่มีความคิดปุ่มแต่งใดๆต่อไปจากคุณทีเอครับกลับเรียนถามค่ะถ้าคุณพ่อมีเมียมีเมียน้อยเราคิดว่าจะให้เงินพ่อลดลงเพราะคิดว่าพ่อต้องเอาไปดูแลมเมียน้อยด้วยเราคิดแบบนี้ได้ไหมคะหรือควรจะทําอย่างไรดีคะ เราอยากจะให้พ่อเรามีความสุขหรือไม่ถ้าการมีเมียน้อยของพ่อเป็นการมีความสุขของพ่อก็เรื่องของพ่อเข้าไปเราก็ให้ไปตามที่เราคุณที่เราเคยให้ไปไม่ดีกว่าถ้าเราให้ได้เท่าไหร่เราก็ให้ไปอย่าไปให้พราะเห็นว่าพ่อไปไปมีเมียน้อยน้อกลัวจะาเงินที่ไปให้เมียน้อยแน่นอนพ่อเขารักเมียน้อยเขาต้องหาเงินไปให้เมียน้อยอยู่ดีเขาก็ไม่ได้จากเราเขาจ้องไปหาจากทางไหน นั่นมันเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราคือการให้เราให้มากเราก็จะได้บุญมากเราให้น้อยเราก็จะได้บุญ น, น้อยเราต้องการบุญมากไม่บุญ น, น้อยนลถ้าเราต้องการบุญมากก็ให้มากไปโฉนดคนระก็จะไปใช้ในทางใดก็เป็นเรื่องของเขาคุณก้องครับรกลาวธรรสการพระอาจารย์ครับกล่าวเรียนถามพระอาจารย์เรื่องสีห์ห้าข้อที่สามว่าหญิงที่มีมารดาบิดาปกครองคืออย่างไร เมื่อไหรใครจะเป็นคนตัดสินว่าเขาสามารถดูแลตนเองได้แล้วสามารถร่วมรักกับชายอื่นได้ได้ครับเราทำมเนยมเวลาจะแต่งงานกันก็ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ก่อนพ่อแม่ต้องอนุญาตให้ไปแต่งงานอันนี้เพราะว่ายังอยู่ยังถือว่ายังยังเขาลบบิดามาได้อยู่ถึงแม้จะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วถึงแม่อายุจะสามสี่สิบหรือห้าสิบปีบางคนเขาก็ยังต้องให้พ่อแม่ เห็น <S <S เห็นชอบด้วยก่อนอันนี้เป็นวิธีที่ที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขความสบายใจแต่ถ้าจะถือตามหลักกฎหมายก็ให้พ้นบรรลุนิติภาวะพอเราพ้นบรุลุนิติภาวะก็ถือว่าเราเป็นเป็นบุคคลที่สามารถตัดสินใจทําอะไรของเราเองได้แนละ้วจะจะไปขอให้พ่อแม่เห็นด้วยหรือไม่ได้ด้วยก็ไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ในทางธรรมเนียมชาวพุทธเรานี้ท่านสอนให้เราเวลาทำอะไรไม่ให้ด่วช้าไม่ให้งามขุ่นทำอะไรให้ทุกคนแฮปปี้ดีกว่าที่ทำา้ให้คนหนึง่งก็ไม่แฮปปี้แต่ถ้ามันยังเป็นจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนอื่นเขาที่เขาไม่แฮปปี้อันนี้มันก็ช่วยไม่ได้ แต่ถ้าไม่ไปทําผิดศีลที่เขาไม่ถ้าเขาไม่แฮปปี้เพราะเราไปแย่งสามีเขาหรือแยกภรรยาเขาอย่างนี้ก็ไม่ควรทำแต่ถ้าเราไม่ได้ไปทําให้เขาเสียหายเดือดร้อนแต่เขาไม่แฮปปี้ว่าเขาไม่ชอบคนที่เราจะไปแต่งงานด้วยอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ไม่เกี่ยวคุณเป็กกี้ครับขอโอกาสกลับไปถามพระอาจารย์ค่ะสติสมาธิกับภาวนามีรายละเอียดแตกต่างกันอย่างไรคะขอบพระคุณค่ะการภาวนาก็คือการปฏิบัติ สติสมาธิและปัญญานี่ภาวนานี้รวมหมดรวมทั้งสติรวมทั้งสมาธิรวมทั้งปัญญาคุณทีิพวรรณครั บ, ก, บ ก, การกิจพการครับอาจารย์ขอถามค่ะว่าทําไมเวลาเราทําบุญกุศลต่างๆถึงมีมารประจนคะหรือเป็นเครื่องทดสอบคะมันมีมารเพราะว่าเรามักจ ะ, ะไม่อยากจะทํานั่นเอง พอมีอะไรนิดอะไรหน่อยแล้วก็ว่าเป็นเป็นมานขึ้นมาแต่เวลาเราไปทําทางกิเลสนี้มามักจะไม่เคยมาเพราะว่าเราชอบอมันนันเป็นเรื่องของของจิตของเราที่ยังขาดบุญขาดกุศลอยู่ยังเวลาทําอะไรถ้ามีอะไรนิดอะไร ห, หน่อยแล้วก็โทษว่าเป็นมาขึ้นมาแต่สําหรับผู้ที่เคยทําบุญทํากุศลมาอยากโชคโชดนี้ จะมีอะไรนี่มีรายหน่อยนี่เขาไม่เขาไม่ไมรู้เสร็จอะไรคุณชยนัทครับการนักวิาชการพระอาจารย์ค่ะเขาสอบถามเรื่องพื้นที่ข้างๆเราลุกเข้าที่เราเราควรจะวางจิตยอย่างไรคะพื้นที่เขาบุกลุกที่เราเลยเขาบอกเขาสิว่ามันเป็นที่ของเราตาความเข้าใจาเขาถูกต้องแล้วก็ทําวิธีป้องกันให้เขาบุกรุกขเข้ามาถ้าตอนต้นก็ต้อง ถ้าเขาไม่ยอมออกไปแล้วก็ต้องไปแจ้งความไปไปขึ้นศาลหรือไปอะไรเพื่อให้ทางทางศาลได้ช่วยตัดสินจะได้หมดปัญหาไปไมช่นั้นเขาอาจจะบุกรลบเราไปเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของทางโลกที่ถึงแม้ว่าเราไม่อยากจะ ท, ทํบางทีเราก็ต้องทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเราแต่ก็อาจจะทําให้เกิดมีมีเวมรมีการมกับกันได้ ก็อาจจะไม่พอใจเราก็อาจจะแค้นโกรธแค้นโกรธเคืองเราก็ได้แต่มันก็เป็นถ้าเราไม่ต้องการโกรธแค้นโกรธเคืองเราแล้วก็ต้องไหวก็บุกรุกไปเรื่อยกๆยยก็ถือว่าเป็นการทําบุญไปแกับเราแต่เขาก็จะรักเราชอบเรา คุณกุ้งครับทอมการทางสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมขอองค์ความรู้เวลาโยมสวดมนต์หรือทําสมาธิจะมีอาการโครองเครงแล้วโยมก็ดึงกลับมากําหนดตั้งลมเจ้าค่าาะเพราะสติเราไม่ค่อยดีสติเราเชื่อเไปกับการสวดมนต์หายไปแล้วมันก็ปล่อยให้งานการโยกไปโยกมาได้คุณไอรักษาครับกลับทางสการพระอาจารย์ค่ะกลับเรียนถามการฟังธรรมอย่างตั้งใจใจจดจ่อต่อการฟังแล้วจิตรวม ทำให้เกิดจิตนิ่งว่างสว่างสงบมีสติเด่นชัดมากๆได้ง่ายกว่าการนั่งสมาธิสังเกตว่าการฟังธรรมแล้วสงบจะทําได้ดีกว่ามีสติจิตนิ่งสว่างสงบมากกว่าถ้านั่งสมาธิจิตนิ่งสงบเหมือนหายไปนานๆครั้งจึงจะได้จิตนิ่งสว่างสงบมีสติสังเกตว่าการฟังธรรมะง่ายกว่าการนั่งสมาธิและจิตรวมคาเป็นไปได้ไหมคะได้เพราะการฟังการฟังธรรมนี่ทําให้เราไม่ต้องมา คอยควบคุมาังคับใจให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไม่อยู่กับลมหายใจเข้าออกเราเพียงแต่ตั้งใจฟังไปเ น, นี่ยมันง่ายกว่าถ้าเป็นจริตของเราก็ได้แต่ยังไงยังไงถ้าอยากจะให้จิตลงเลิกกว่านั้นก็ต้องนั่งสมาธิต้องไม่ฝักถับต้องต้องมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างนี้จะทําให้จิตลงนึกแล้วลงอยู่ได้นานกว่าด้วย แต่ถ้าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเราก็ใช้การฟังทําไปก่อนก็ได้คุณรัติชาครับกลับยปถามพระอาจารย์ค่ะตามาศาสนาพุทธสอนให้เราให้อาภัยและปล่อยวางกับสิ่งที่มีคนอื่นทําไม่ดีกับเราจะเป็นการปล่อยให้คนชั่วลอยนวลได้ใจไม่ฆ่าเพราะรู้สึกสมัยนี้คนทําชั่วไม่เกรงกลัวอะไรเลยเ อ, อไม่ลอยนวลหรอกเพราะมีกฎแห่งกรรมคอยดูแลใครทํากรรมอันใดไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น แต่อาจจะไม่ได้รับผลในภ พ, พนิชาตินี้แต่ตายไปเขาจะต้องไปรับผลคือไปสวรรค์หรือไปนรกอย่างแน่นอนคุณปุ้ยครับเรียนถามพระอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับยานหนึ่งสองสามสี่หน่อยค่ะไม่ใช่ยานหรือฌานชานหนึ่งสองสามสี่ก็ต้องไปเปิดตำาราดูเวลานั่งสมาธิพอเข้าถึงชาญหนึ่งก็จะมีอาการอยู่ห้าอย่างนี้วมี วิตกวิจารมีปิติมีสุข ม, มีอยู่สี่อะไรต่งางๆนี้แล้วนั่งต่อไปเพ่งต่อไปวิตกวิจารก็จะหายไปเนื้อแต่ปิติเนื้อแต่สุขถ้าเพ่งต่อไปก็เนื้อแต่สุขกับอะไรเนี้ไม่ทราบแล้วในที่สุดพอถึงชานสี่ก็จะเนื้อแต่อุเบคาอย่างเดียวอันนี้ต้องไปอ่านรายละเอยีอยดดูผลที่เกิดจากการเราดูลมหายใจเข้าแต่มันไม่แน่เสมอไปนะบางทีเวลานั่งสมาธิ บางทีมันลงพุทธจากหนึ่งไปถึงสี่เลยก็มีในชน่พุโทโธพุทโธได้สองสามตามปับ وم, ๊บตกหนุมตกบ่อแล้วก็หาให้เป็นเนื้อแต่อุเบกขาเลยก็มีงั้นไม่จําเป็นว่าเวลานั่งสมาธิมันจะเป็นไปตามหนึ่งสองสามสี่มันเราจจะหนึ่ง 1, แล้วก็ไปสี่เลยก็ได้จากป้าแดงครับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลาเราภาวนาพุโทโธเราต้องกำหนดพุโทโธไว้ตรงไหนเจ้าคะ่ะหรือพุโทโธไว้ในใจเจ้าคะ่ะ ไม่ยินใจเลยให้อยู่กับคำบริกรรมพุโทโธไปคุณอนุพงศ์ครับกัดนรัศ ก, การพระอาจารย์ครับตอนที่เรากําลังนั่งภาวนาพอสักพักไปจิตละหมุนในหัวแต่จิตยังมีคําบริกรรมอยู่แล้วสักพักคําบริกรรมก็หายไปแล้วตั้งคําบริกรรมขึ้นใหม่อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆคืออาการจิตหมุนเกิดจากอะไรครับเกิดจากจิตที่มันยังไม่สงบจิตมันยังสามารถปรุงแต่งได้ก็อย่าไปสนใจ ก็ให้อยู่กับผู้โทผู้โทรไปจักุณสมพรท่านเดินนะครับอาจารย์บอกว่าที่ส่งคะแนนผิดนะครับตอนนี้ยังรู้สึกในใจนิดนิดจิตใ่ยังไม่โปรง่งด้วยเพราะทําคะแนนนักเรียนผิดพลาดเรื่องแก้ไขส่งหลักฐานใหม่ยังไม่แล้วเสร็จโรงเรียนวันที่หนึ่งธันวาทําให้นอนไม่หลับจิตใจไม่ได้พักแท้จริงโดยโยมต้องใช้ธรรมะข้อใดจนกว่าเรื่องส่งหลักฐานแก้ไขผลการเรียนจะแล้วเสร็จทําให้โลกโปรง่งนอนหลับได้ลึกอย่างสบายครับ นอบกราบกราบถูกครับอาจารย์ก็ต้องใช้อุเบกขาตอนนี้ก็อยอมรับว่ามันทําได้เท่านี้ก็ต้องพยายามทําต่อไปจนกว่ามันจะสําเร็จไม่สําเร็จแล้วมันก็ทุกอย่างก็จะเพีย <Good S 2> รคุณโอเปิครับการรัศการพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามเรื่องมโนกรรมเวลาที่เรามีความคิดที่เป็นอกุศลและเรารู้ถึงความคิดที่ไม่ดีนั้นเราจะแก้ไขอย่างไรกับการคิดไม่ดี ส่วนกายกรรมและวิจีกรรมไม่มีเกิดกับความคิดที่ไม่ดีค่ะ อ, อมันเวลาเกิดความคิดที่ไม่ดีก็ต้องใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยเหมืถ้ามันอยคิดไม่ดีแล้วก็พุทโธพุทโธไปแน่อๆอย่างในนิสิตมันก็จะหยุดถ้าเราไม่อยู่พุทโธถ้าเราอยู่พุทโธมันก็ากจะไม่หยุดห็นต้องบริกรรมพุทโธไปจนกว่ามันจะหยุดถาถึงก็หยุดพุทโธได้ คุณฟิโอน่าครับการปฏิบัติทุกรักิริยาบทเป็นการสร้างสติอยู่กับกายตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วขั้นต่อไปต้องมานั่งสมาธิและใช้ปัญญาคิดในทางไตรลักษณ์ใช่ไหมคะถ้าถ้านั่งสมาธินี้ยังไม่ให้ใช้ปัญญาคิดในทางไตรละให้นั่งไม่มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียเดียวกัอนจนกว่าเราจะเข้าสมาธิได้อย่างชํานาเรา ครั้งต่อไปเวลาเราไม่ได้นั่งสมาธิออกจากสมาธิเราถึงใช้ปัญญาคิดทำใไหลาเวลานั่งสมาธินี้ไม่ให้ใช้ปัญญากาอ น, นั่งสมาธิต้องการให้จิตนิ่งเพียงอย่างเดียวคิดไม่ได้หรือมันจะเป็นปัญญาก็ไม่ให้คิดถ้าอยากจะคิดทงปัญญารอให้ออกจากสมาธิก่อนแนละ้วค่อยมาคิดทำปัญญานะ คุณสาลิตาครับสาลิตาครับการเรียนถามพระอาจารย์ค่ะขอคําแนะนําสำหรับผู้เริ่มปฏิบัติด้วยค่ะที่เริ่มพยายามทําอยู่คือดูลมหายใจและภาวนาพุทโธค่ะดูความคิดตัวเองที่คิดนู่นนี่พอคิดได้ว่าอกแวกก็กลับมาท่องพุทโธใหม่พอนั่งสักพักก็คิดถึงมรณานุสติแนวทางที่ทําอยู่ถูกต้องไหมคะหรือควรปรับอย่างไรคะควรจะให้อยู่กับอย่างใดอย่างหนึง่งเช่นอยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่างเดียว อย่าไปดูความคิดอย่าไปเปลี่ยนเป็นมา น, านุสติถ้าจะามา น, านุสติก็เอามา น, านุสติเพียงอย่างเดียวไปจะดีกว่าไม่งั้จิตมันจะวอกไปแว็กมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆจะให้อยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าพูดโทพูดโทไปเพียงอย่างเดียวมันจะง่ายกว่าด้วยมันจะไม่สับสน คุณอ่างเปาครับศาสตราจารย์พระอาจารย์ครับขอสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการเป็นคนโกรธง่ายครับอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายใครพูดอะไรนิดไม่เข้าหูจะแสดงสีหน้าไม่พอใจออกทันทีครับรู้สึกสติตัวเองหมดทุกอย่างว่ากําลังเป็นอะไรอยู่แต่มันควบคุมสติกับตัวเองไม่อยู่ครับแต่จะมาสํานึกผิดทีหลังว่าเราไม่น่าโกรธเลยเป็นบ่อยมากเลยครับอาการแบบนี้แล้อยากขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ครับว่าควรแก้ด้วยวิธีไหนกับอาการแบบนี้ไม่ชอบเหมือน กครับที่ตัวเองเป็นแบบนี้ครับสาธุครับก็พยายามฝึกสติให้มากๆพยายามเจริญพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆแล้วพอเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็จะได้ใช้พุโทโธระงับอารมณ์่านั้นได้หรือวิธีหนึ่งก็คือเราต้องลดความความต้องการจากบุคคลตา่างๆจากสิ่งตา่างๆเคให้อย่าไปหวังให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าอย่าให้เขาทำอย่างนั้นทาอย่างนี้ ปล่อยให้เขาทาไปทำหนึ่องของเขาใครอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทำไปใครอยากจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปถ้าเราไม่ไปหวังอะไรจากเขาแล้วเราจะไม่รู้สึกกดไม่รู้สึกฉุนเฉียวกับการกระทําต่างๆของผู้คนคุณทิทิวัตรครับตัวรู้นี้ที่ไม่มีสมมติเข้าถึงได้นี้คงอยู่ชั่วอนันตกาลใช่ไหมครับใช่มันอยู่กับจิตเงี้ยเป็นคุณสมบัติของจิต จิตที่ไม่มีวันตายจิตเป็นธารู้คุณอ้วนครับขอบความให้ตาพระอาจารย์เวลาเริ่มสวดมนต์และระหว่างสวดก็หาวมากๆกันไม่อยู่ทั้งที่ไม่ง่วงเลยสวดจบก็หายหาวหนักจนน้าตาไหลทั้งที่ไม่เคยคิดและไม่ง่วงค่ะเป็นเพราะอะไรคะเพราจิตมันไม่ชอบมันไม่ชอบสวดมันก็เลยสร้างปัสสาะขึ้นมาคือความง่วงหาวหาวนอ<ๆ>ก็ต้องแก้ด้วยการไปสวดที่มันน่ากลัว เราไปสวดที่ป่าช้าหนึ่งหไปสวดที่ไหนที่มันมันมีความรู้สึกน่ากลัวความง่วงนอนมันก็หายไปได้ถ้าไม่เช่นั้นก็ต้องลุกขึ้นมาสวดเดินสวดแทนที่จะนั่งสวดก็ได้หรือราอาจจะเป็นเพราะเรารับประทานอาหารมากเกินไปหรือเปล่าถ้าสวดตอนที่หลังจากเรารับประทานอาหารอีกมันก็จะง่วงลองถือศินแต่ด้วย่งลองรับประทานอาหารเพียงแค่ เทียงหลังจากนั้นเราก็ไปรับประทานแล้วเวลาส่วนมันมันก็ จ, จะไม่ว่วมก็ได้คุณก้องครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าการฟังเทศไปนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมไปด้วยสามารถเข้าขันนิ ก, กะสมาธิหรืออั ป, ปนาสมาธิได้ไหมครับหรือเราต้องพิจารณาทางปัญญาเท่านั้นครับการฟังธรรมนี่มันฟังได้สองแบบฟังเพื่อสมาธิก็ได้หรือฟังเพื่อปัญญาก็ได้ ฟังสมาฟังเพื่อสมาธิก็ฟังไปโดยที่ไม่พิจารณาไม่คิดต่างฟังไปเฉยๆฟังเสียงธรรมเข้าใจมากไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ให้ใจเกาะติดอยู่กับคําคําเสียงเสียงธรรมที่กำลังฟังอยจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ส่วนจะสงบขนาดไหนนี่ก็ไม่รู้แล้วแต่แล้วถ้าอยากจะฟังให้เกิดปัญญาก็ต้องพิจารณาตาคิดตา่าง มันจะกปัญญาคือความเข้า อ, อกเข้าใจตามนี่ว่าปัญญาคุณสวัสดีครับพระอาจารย์ผมอยากสอบถามว่านิพพานจะไปอยู่ส่วนไหนของภพภูมิครับอยู่อยู่นอกภพกภูมิอยู่นอกตายตายภูมิไม่ได้อยู่ในตายภพยอยู่ออกจากตายภพกออกไปเหมือนกับเหมือนกับนั่งจนวนออกไปอยู่ในอาวกาศ ไม่ได้อยู่บนโลกนี้นิพพานเป็นอย่นั้นจะไม่มีแรงหนึ่งดุดของโลกหนึ่งให้จิตของผู้ที่ออกไปในอวกาศ ก, กลับมาสู่โลกนี้ได้จิตก็เหมือนกันจิตนิพพานก็คือจิตที่ไม่ที่ไม่มีอะไรที่สามารถดึงจิตให้กลับมาเวียนว่าตายเกิดนายตายพร้อมได้ต่อไป คุณจอยครับการนพัธการพระอาจารย์ค่ะขอคำแนะนำสำหรับผู้ฝึกใหม่ค่ะว่าควรจะเริ่มอย่างไรในแต่ละวันคะก็เริ่มที่สติเนี่ยลืมตาขึ้นก็เราท่องพุโทโธพุธโทโธไปขณะที่เราไปทำภารกิจส่วนตัวก็ท่องอุโทโธไปเรื่อยๆอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเราก็ใช้ใช้การเจริญสติได้ แล้วเมื่อเราต้องทําอะไรต่อแล้วก็มีสติอยู่กับการทรํางานของเราต่อไปอันนี้เป็นวิธีฝึกเบื้องต้นเราต้องฝึกสติให้ได้ก่อนพอเราฝึกสติได้ในในระดับหนึ่งแล้วเวลาเราไปนั่สมาธิจิตก็จะไม่ไม่วอกแวกจิตก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สามารถนั่งได้นานและก็เข้าสูขข่ความสงบได้ต้องฝึกฝึกสติก่อนก่อนที่จะมานั่งสมาธิต่อ จากคุณนายสายฮาครับรูปธรรมนามธรรมมักมีองค์แปดอยากรู้ความหมายเจ้าค่ะรูปธรรมก็คือสิ่งที่เราจับต้องได้ด้วยทางร่างกายเรียกว่ารูปธรรมสิ่งที่เราสิ่งที่เราเห็นด้วยตานส่วนใหญ่ล้วเรียกวเป็นรูปธรรมส่วนนามธรรมก็คือสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยด้วยตาของเรา หรือได้ยินผ่านทางอวัยวะของทางร่างกายรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยังถือว่าเป็นรูปธปรรมสิ่งที่เราจับต้งไม่ได้ที่ผ่านทางร่างกายก็คือที่สัมผัสได้นึก ด, ด้วยใจโดยจงเรียกวันนามธรรมาเช่นความทุกข์ใจความไม่สบายใจความคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆนี้เราเรียกวันนามธรรมาส่วนมากก็คือ วิธีปฏิบัติธรรมเพื่อให้หนุนพ้นจากการเป็นาตยเกิดหนุนพ้นจากภาพทบมีอยู่มีอยู่แดข้อเดียกันเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบตามด้วยสัมมาสังกปะคือความดาเวทคือความคิดชอบคือความคิดที่ถูกต้องคำวมชาติว่าถูกต้องตามด้วยการกระ ท, ทําที่ถูกต้องตามด้วยวาจาที่ถูกต้องตามด้วยอาชีพที่ถูกต้องตามด้วย การกระทำความเพียรที่ถูกต้องความขยันหมั่นเพียรที่ถูก ต, ต้องตามด้วยสติที่ถูกต้องและสมาธิที่ถูกต้องอันนี้คือมรรคที่มีองคปกบถ้ามีมรรคเหล่านี้อยู่ในใจเราเราก็สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้ คำถามจากคุณบีบี้ครับการรักการค่ะหลวงพ่อสวัสดีคุณหมอพรุ่งนี้จะเป็นวันคล้ายวันเกิดหนูอยากให้หลวงพ่อแนะนําวิธีเจริญสติที่สามารถทําได้ตลอดชีพค่ะออาจารย์หนึ่งท่านบอกว่าถ้าคุณหายใจได้คุณก็เจริญสติได้ก็ให้มีสติอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆถ้าอยู่ในช่วงที่เราสะดวกที่จะใช้ลมหายใจก็เจริญสติดูลมไป ถ้าดูลมไม่สะดวกก็ดูการกระทํำของเราไปให้เรากําลังทําอะไรอยู่ก็ให้มีสติอยู่การกระทำของเราไปกําลังหลับน้ําให้มีสติการหลับน้ําล้างหน้าแปรงฟันไปอย่างนี้หรือถ้าถ้าสามารถดูลมได้ก็ดูลมมหายใจเข้าออกไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องเปลือยเป้าหมายของการมีสติก็คือการหยุดความคิดปุแจัย คุณการสุขครับขอเรียนถามพิจารณาร่างกายจนเน่าแล้วเขาร่างกายแล้วตอนนี้พอจะพิจารณาแป๊บเดียวหายเข้าไปสงบต้องดึงมาพิจารณาใหม่แล้วจะไปสงบอีกต้องทําอย่างไรต่อคะถ้ามันสงบก็ไม่ต้องพิจารณาเวลาออกจากออกจากความสงบถ้ายังมองไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกายก็ต้องพยายามเนื้อคิดเรื่อยๆแต่ถ้าเห็นแล้วเราสามารถเอาไปหยุดการมารมได้ก็ไม่ต้องทํา การพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายเพื่อเพื่มดับการมารมเวลาเราเห็นร่างกายของผู้อื่นว่ายู่เล่าหน้ารักน่าชื่นชมน่าอยากร่วมเพลิดด้วยเนี่ยเราต้องนึกถึงความไม่สวยไม่งามของร่างกายเพื่อที่จะรับมางับการมารมการพิจารณานี้เป็นเหมือนยาการมารมเนี้เป็นเหมือนเหมือนไข้เหมือนที่เราต้องคอยกาจัด พอเกิดการมารมขึ้นมาใจเราจะไม่สบายนะถ้าเราต้องการให้ใจสบายไม่เราก็ต้องพิจารณาร่างกายที่เน่าเปื่อยหรือนา่งกายที่ไม่สวยไม่งานแล้วการมารมณมันก็จะดับไปได้คุณจุติครับการพรฒนาการเรียนถามพ่อเกี่ยวกับการมารมณ เวลาที่มีเพศสัมพันธ์เรารับรู้การกระทําการเคลื่อนไหวแต่อารมณ์เคิร์ ม, มหรือจินตนาการไม่มีในจิตกับเพ่งตั้ง ต, งตรงรู้สึกเป็นการกระทําเหมือนเราพยายามปีนขึ้นเขาและเมื่อถึงยอดเขาก็เหนื่อยและหลับลอยไปแต่หลังจากนั้นกลับมีความสงบและพิจารณาในการบุคลที่ได้สัมผัสได้เห็นโทษ ใ, ในการเกิดแก่เจ็บตายกับการหลงพัวพันในกามความหลงความรักรู้แล้วก็วางว่าถ้าเกิดอีกก็จะต้องทุกข์แบบนี้อีกซ้าแล้วซ้ำเล่าก่อนหน้านี้ที่เกิดมาว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์จึงรักและเห็นคุณค่าของ พระจุดจุดไปแล้วครับอาจารย์ของพระธรรมก็ต้องพิจารณาตอนที่เกิดการมาลงไม่ใช่มาพิจารณาหลังจากที่ได้ระบายการมาลงไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรการเห็นโทษของการมีการมาลงนี้ต้องเห็นตอนที่กําลังเกิดการมาลงขึ้นมาไม่ใช่เห็นมาเห็นตอนที่ได้กระทําไปแล้วอย่างนั้นสายไปแล้วเหมือนจะเห็นโทษกับการไปไปขโมยของของผู้แต่ขโมยมาแล้วนี้มันสายไปแล้ว ต้องเห็นโทษของการขโมยของขอมูลก่อนที่จะไปขโมยก่อนที่กำลังจะไปขโมยต้องเห็นตอนนั้นแล้วพะเจ้าจะได้ ร, รับการที่เราจะปอกขโมยของของมูลไดนะ้เช่นเดียวกับการมาลงเมอเกิดการมาลงมาเราต้องเห็นโทษของการมีการมาลงขึ้นมาทันทีว่ามันจะนำพาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดคุณแพทย์ครับ แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคืออะไรคะอริยสัจสี่หรือตายรักษคะทั้งสองอันนั่นแหละหรือตัอง้งอริยสัจสี่กับตายรักนี่ก็เป็นอันเดียวกันในอริยสัจสี่ก็มีทุกในตายรักก็มีทุกแล้วก็ในอริยสัจสี่ในมรรคมรรค ก, กสัจจะก็มีการเห็นตายรักการเห็นอ น, นิจจ์เนั่เห็นหนาฏตาถืว่าเป็นมาร นั่นเป็นถือว่าเป็นเป็นอันเดียวกันีแต่อาจจะมองจากมุมมองต่างกันมองจากมุมมองทางไตรลักก็ได้มุมมองจากมุมมองทางอริยสัจสี่ก็ได้เหมือนคนเรานี่เรามองจากข้างหน้าก็ได้มองจากข้างหลังก็ได้แต่ก็เป็นคนคนเดียวกันคุณตุกี้แพทครับการรัศการพระอาจารย์เจ้าขาการเรียนถามกรณีต่าง ประเทศไม่มีอัตตาบาทแต่ลูกถือศีลและนั่งสมาธิและโอนเงินถวายวัดไม่ทราบว่าลูกสามารถทําบุญทางใดได้อีกเพื่อการหลุดพ้นทางโลกเจ้าค่ะทําได้แค่นี้ก็ก็หลุดพ้นได้แต่ต้องทําทางปัญญาเพิ่มด้วยทําบุญแล้วก็นักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิออกจากสมาธิมาก็นั่งเจริญปัญญาพิจ า, ารณาใจรละพิจารณาอริยมสัจสี คุณพิสนุพงศ์ครับเป็นลูกชายยังไม่ได้บวชพระให้แม่ถ้าแม่รอไม่ไหวแต่เคยรักษาศีลด้วยกันจะบาปไหมครับเออแม่บาปแหละเพียงแต่จะไม่ได้บุญการบวชถ้าเราบวชเป็นพระนี่จะทําให้แม่เขาได้เข้าวัดด้วยเพราะว่าแม่มักจะคิดถึงลูกถ้าลูกติดคุกแม่ก็ต้องไปติดคุกกับลูกนถ้าลูกบวชแม่ก็จะได้ไปอยู่ปฏิบัติธรรมกับลูกที่วัด ถ้ลกไม่บวดนายก็ไม่ไปเพราะไม่มีอะไรดึงดูใจให้ไปในการบวชของโลกนี้เป็นเหมือนกับเป็นการเรีนพ่อแม่ให้เข้าวัดด้วยคนทิพวรรณครับกลับเรียนถามท่านอีกครั้งนะคะัหนูสวดมนต์ธรรมจักรกับวัตนสูตรผิดถูกบ้างแบบนี้จะบาปไหมคะได้บาปเราเป็นได้ว่าจะไม่ได้ปัญญาการสวดผิดนี่กล้าจะทําให้เราได้ได้ ได้ปัญญาไม่ครบหรือไม่ถูกไม่ถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราสวดไม่ได้สวดเพื่อปัญญาเราสวดเพื่อทำให้ให้เกิดสติก็ไม่ไม่เป็นไรไม่สำคัญแต่ทางที่ดีควรจะให้มันถูกจะดีกว่าเพราะเราจะได้มีสติเพราะแต่การจะสวดให้ถูกนี้เราต้องมีสติมากกว่าการสวดแบบผิกทกดังนั้นพยายามไปไปเปิดหนังสือแล้วค่อยท่องใหม่ท่องให้มันถูกแล้วค่อยๆทําไป ดีกว่าที่สวดแบบผิดผถูกๆแสดงว่าสติไม่ค่อยดีถ้าสวดแบบผิดผิดถูกๆกถ้จะทําให้มันถูกนี้จะสติจะต้องดีกว่าถึงจะสามารถสวดอย่างถูกได้ตลอดนะครับคนุณทิติมาค ร, รับกราบพัสดิการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะสงสัยเรื่องการช่วยชีวิตปลาโดยช่วยปลาจากคลองแล้วมาปล่อยเลี้ยงในบ่อโดยเราไม่กินอย่างนี้บาปไหมคะ ไม่ทราบช่วยปลาจากคองนี้ช่วยก็อยู่ในคลองก็เป็นอิสระของเราอยู่แล้วเราไปจับเข้ามาขังในคุกนี้มันเจอมันมันไม่บาปมันก็มันก็ไม่ดีถือว่าเป็นการเบียดเบียนไปทําไปกาจัดอิสรภาพของเขาเขาอยู่ในคลองเขาดีๆอยู่แล้วนอกจากคลองนั้นถึงพิษอะไรทํานองนั้นถ้าปล่อยถ้าอยู่เราจะตายอย่างนี้เราไม่ช่วยไม่เราจะได้ด้ว แต่ทางที่ดีถ้าอยากจะได้บุญไม่อยากจะได้บาปก็ควรจะไปปล่อยเข้าในแม่น้ำหลบคลองที่ปลอดภัยจะดีมากาจากพระธานากรครับน้อมกราบนมัสกา ร, ร, ร, การทั้งพระอาจารย์ด้วยความเคารพทาสมาธิแล้วเกิดอาการตึงหน่วงที่หน้าผากร่วมกับที่ปลายจมูกมีลมเย็นๆแต่ก็ตึงหน่วงเช่นกันเป็นอยู่ตลอดเวลายกเว้นเวลานอนหลับพยายามผ่อนไม่เพ่งใดๆแต่อาการก็ไม่หายสักทีต้องแก้อย่างไรครับ ถ้าดูรวมไม่ได้ก็ลองสวดมนไปแล้วบริกรรม พ, พุโทโธพุโทโธไปแทนก็ได้คุณบีบี้ครับกาบพระรัศการพระอาจารย์ข้าหนูต้องการจะ บ, บริจาค ร, ร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่และบริจาคอวัยวะแต่คุณแม่มีความเชื่อที่แย้งและไม่อยากให้บริจาคอยากให้พระอาจารย์แนะนําธรรมะที่หนูจะนําไปเล่าแก่แม่ได้คะ่ะเวลาเราตายไปแลาวนี้ร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นของเราแล้วเขาจะไปทําอะไรมันก็เป็น เรื่องของคนเลยนะแล้วเมื่อมีคนกระทบกระลาต่อจิตใจของเราเวลาไปเกิดใหม่เราก็อยากจะได้ร่างกายอันใหม่การจะได้ร่างกายดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่การบริจารกายวิยาเรื่องบริจารร่างกายแต่อยู่ที่การทําบุญหรือทํำบาปถ้าเราทําบุญเวลาได้ร่างกายมักจะได้ร่างกายที่ดีสมบูรณ์เรื่องการสารเจบสองแข็งแรงอายุยืนยาวนานปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บ ถ้าทําบาปมักจะได้ร่างกายที่ไม่ดีไม่สวยงามอาการไม่อาจจะไม่ครบสามสองมีโครคภัยไข้เจ็บียเบียนและอายุสัน้นนี่คือผลที่จากการได้ร่างกายดีหรือไม่ดีอยู่ที่การทําบุญหรือทําบาปไม่ได้อยู่ที่การบอยจากร่างกายการบรยจากร่างกายหลังจากที่เราตายไปแล้วก็ไม่ได้บุญไม่ได้ถือว่าเป็นการทํำ ว่าเราไม่ได้มีความรับรู้ในตอนนั้นนะต้องต้องบริจาคในตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เช่นบริจาคเลือดหรือบริจาคตาไปข้างหนึ่งหรือไตไปข้างหนึ่งเราจะได้รู้ว่าเราได้ทําประโยชน์ให้กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เราจะทําให้เกิดความสุขใจเองใจขึ้นมาซึ่งเป็นบุญ น, นี่ คุณกั ล, ลยาครับการพิธีกา ร, การพระคุณเจ้าอยากทราบว่าพระนั่งรถพ่วงซาเล้งมาบินถบาศในบุบ้านไม่ลงจากรถซึ่งพระหนุ่มไม่ป่วยไม่พิการอยากทราบว่าผิดธรรมวินยัยหรือเหมาะสมหรือเปล่าเจ้าคะก็ไม่เหมาะสมนะตามปกตินี่ควรจะเดินบินถบาตเนื่องจว่าระยะถาม ท, ที่จะไปที่บินถบาศมันไกลมากก็อาจจะนั่งรถไปแต่พอไปถึงจุดเริ่มต้นของการบินถบาศก็ควรจะเดิน ยกเว้นว่าเป็นพระที่เท่าชราแล้วก็มีศรัทธาเขาร่รับถืออยากจะให้ท่านมาโปรดถึงแม้จะาจะนั่งรับในรถทัศเขาก็ไม่ว่าอะไรนี่ก็ทำได้เป็นกรณีพิเศษเช่นราจะเห็นกูบาอาจารย์บางรูปท่านอายุมากนะแต่ญาติโยมยังอยากให้ท่านมาโปรดท่านก็เลยมีรถกอล์ฟใช้นกนั่งและญาติโยมก็เอาอาหารมาใส่บาตของท่าน อย่างนี้ก็ทําได้สําหรับพระผู้มีบารมีมีลูกศิลปลูกหามีศรัทธาญาณโยมที่อยากจะทําบุญกับท่านแต่ถ้าเป็นพระธรรมดาที่ไม่มีศรัทธาญาณโยมที่เขาศรัทธานี้ก็ไม่ควรจะกระทำควรจะถ้ายังแข็งแรงเดินได้ควรจะเดินเิญจบาศ คุณกมำมลธรรมครับการละศีลปฏิปารามารคือการไม่ไปบนขอสิ่งจากสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่คือไม่ไปหวังผลอะไรจากการบนบานสารกล่าวการกระทำอะไรเพื่อขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะว่าความทุกข์ที่เรามีอยู่นี้มันไม่ได้เกิดจากการจาํานวนแม่หายไปจากการไปขอสิ่งนั้นสิ่งนี้มามันหายมันหาต่อเมื่อเรา ยอมรับความจริงยอมรับว่าเมื่อเราทำบาปแล้วเราก็ต้องรับผมบาปหรือว่าักความอยากต่า ง, งๆให้ให้หมดไปจากใจแล้ววามทุกเนจใจเราพ้จะจายไปคุณจตุพลครับกราบพระอาจารย์ครับผมอายุ41แล้วอยากบวชแล้วศึกษาพระจะได้ดีไหมครับสาธุ ค, ครับได้แต่ได้ยังมีลมหายใจอยู่ ถ้ายังศึกษาได้ปฏิบัติได้ก็บรรได้คุณสัลิตาครับการทางราชการถามพระอาจารย์ค่ะผู้สูงอายุที่หูไม่ดีตาไม่ดีไม่เคยปฏิบัติธรรมหรือสวดมนต์มาก่อนเราจะช่วยให้เขาได้ปฏิบัติธรรมได้อย่างไรบ้างคะมันก็ยากเพราะถ้าหูไม่ดีฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้จะสอนอยังไงแต่ถ้ายังพอสอนได้ก็สอนให้เขารู้จักวิธีปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังสามารถฟังได้แล้วก็ เรียนรู้ได้ว่าการทำปฏิบัติธรรมยังไงเราก็สอนเข้าไปบอกเข้าไปแต่ความสําคัญอยู่ที่ว่าเขาอยากจะอยากจะให้เราสอนหรือไม่ก็อยากจะรู้วิธีการปฏิบัติธรรมหรือไม่ถ้าเขาไม่อยากจะรู้ก็อย่าไปเสียเวลาสอนเขาเลยเพราะเขาก็จะไม่ยินทีคุณมาลีครับขอหลวงพ่อช่วยอธิบายคําว่าบรรลุธรรมที่เข้าใจได้ง่ายง่ายและเราจะทราบได้อย่างไรว่าบรรลุธรรมกราบขอบพระคุณหลวงพ่อคะ่ะ ก็คือการเรียนจบการศึกษาระดับขั้ น, นตา่างๆเช่นเวลาเราจบจบป .6 นี้เราก็บรรลุขั้นปปพอจบม .6 เราก็บรรลุขั้นมัธยมไปพอจบปริญญาตรีเราก็บรรลุขั้นปริญญาตรีธรรมะก็แบ่งเป็นขั้นๆอย่างนี้นั่งสมาธิแล้วจิตสงบเราก็บรรลุขั้นสมาธิเจริญปัญญาแล้วละกิเลสได้ก็บรรลุธรรมเป็นขั้นๆไป ทุกที่มีอยู่ในใจก็หายไปจากการวันจากการบรรลุธรรมแต่ละขั้นไปคุณสุกิจครับถ้าเรานิ่งเฉยไม่ช่วยถือว่าเป็นบาปไหมครับไม่บาปแต่ถือว่าไร้ความเมตตาอันนี้พี่จุบพระอาจารย์กออนยญาแชร์หนังสือประวัติของพระอาจารย์สุชาติและพิชารตโชื่อเรื่องเปิดใจเปิดธรรมค่ะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ พระสุชาติ .com มีให้ดาวน์ดได้หสือเรื่องเปิดใจเปิดครรบคุณพีระครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับผมเห็นในหนังสือว่าการเดินจงกรมต้องเดินตามทิศ ต, ตะวันออกตกถ้าเราเดินตามทิศเหนือใต้ได้ไหมครับคือครู บ, บราอาจารย์คือหลวงปู่มั่นท่านแนะนำมาว่าถ้าจะทําทางเดินจงกรมให้ทำทางตามทิศ ต, ตะวันออกตะวันตกอย่าไปเดินความตะวันท่านสอนอย่างนั้น แต่ถ้าเราไม่ได้ทำทางจบคมแล้วเราอยากจะเดินตรงไหนแล้วมันอาจจะไม่สะดวกเกี่ยวกับเรื่องทิศทางก็ยังเดินได้อยู่เพียแต่ว่าถ้าเราอยากจะทําทางเดินจบกบก็พยายามทำตามที่กูบาอาจารย์ท่านสอนก็าอาจจะมีผลที่ท่านไม่ได้อธิบายไว้ว่าทําไมเพีแต่ว่ารู้สิ่งต้องหาก็เขาบในคํสนๆๆๆคาสั่งทสอนของกูบาอาจารย์ก็ทําตามที่ท่านสอน พาสายพาปฏิบัติสายพระอาจารย์มั่นในเวลาท่านทําทางโยมขมท่านจะทำทาคทิศตะวันออกตกท่านจะไม่ทําทางเหนือใต้ครับการทําสุดท้ายนะครับอาจารย์ครับคุณสุเมธิณีครับบอกว่าขอพระอาจารย์อธิบายขันให้ชัดเจนละเอียดขึ้นได้ไหมคะข้าหน้าก็ส่วนประกอบของตัวเรานี่เช่นร่างกายที่เราเห็นอยู่นี้ด้วยภาพ ร, รูปประคันส่วนความรู้สึก ก็คือความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์นีเราได้กาเวทนาเป็นนามขันมันมันมันเป็นสิ่งที่ปรากฏในใจแต่ออกจากมาออกจากทางร่างกายใเวลาเราไปเตดก้อนหินนี่ร่างกายเจ็บเราก็เดยก็ทุกข์กเวทนาแต่มันเป็นนามขันมันไปปรากฏในใจมันไม่ได้ปรากฏที่ร่างกายแล้ว เวทาานาแล้วก็มีสัญญาสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้จำชื่อคนนั้นจำชื่อคนนี้หมายรู้เขารู้ว่านี่เป็นคนนี่เป็นสัตว์นี้เรียกว่าสัญญาสังขารก็คือความคิดปรงแต่งอยบคิดว่าจะทำอะไรดีจะไปเดินจงกรมดีเรื่อไปนั่งสมาธิดีเรื่อไปำทำธรรมดีอันนี้เรียกว่าสังขารการคิดปรุงแต่แล้วก็วิญญาณก็คือการรับรู้ รูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาสัมผัสทางตางงหูจมูกนิ้วกายเรียกว่าวิญญาณนะครับนี่ก็รวมไปก็เป็นขันธ์ห้าใกันที่ทํางานอยู่ในใจของเราตลอดเวลาเวลาเราเห็นรูปนี่ปับนี่วิญญาณก็เอารูปเข้ามาในใจพอเข้ามาในใจสัญญาก็มามาจําได้ไหมรู้ว่าเป็นรูปอะไรเป็นรูปผู้หญิงรูปผู้ชายดีหรือไม่ดีพอมีรู้ว่าดีหรือไม่ดีก็เกิดเวทนาขึ้นมา ถ้าดีก็เกิดสุขขึ้นมาถ้าไม่ดีก็เกิดทุกข์ขึ้นมาพอเกิดสุขเกิดทุกข์ก็มีความคิดปลุกแตกขึ้นมาจะทำไงดีถ้าสุขก็ควรที่จะรักษาไว้เก็บไว้ถ้าทุกข์ก็ควรที่จะกำจัดมันนี่เรียกว่าสำคัญ น, นี่คือสิ่งที่เราใช้อยู่ตลอดเวลาขันห้าที่เราใช้อยู่ตลอดเวลาพแต่เราไม่รู้จักชื่อมันเองเรารู้จักตัวแต่เราไม่รู้จักชื่ อ, อ ค, าาครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับนี่แสดงธรรมให้พวกเราได้ฟังนะครับ โอากาสพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆที่ฟังธรรมด้วยกันจาก f เ c e b o o k 744คนนะครับจาก y o ย t u b บ659คนแล้วก็จากขับเฮาส์17คนรวมวันนี้ฟังธรรมอยู่พร้อมๆกันตอนนี้ 1,421 คนนะครับอาจารย์ครับินที่ได้ร่วมร่วมสนานาธรรมกันหวังมากคงจะได้ประโยชน์บ้างไม้มากก็น้อยสำหรับคนนี้ก็คิดว่าพอสมควรใช้เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปคิดพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้านในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุก็ขอลาคุณหมอไปก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงจะได้พบกันเองในอาทิตย์หน้าครับกับรักษาการครับอาจารย์ครับขอลาไปก่อนนะครับ